อนแล้วตัวแม่ไปฟังไม่เจ็บเป็นที่เราเล็กมากกว่าโอ้โหมันลหลากหลายเลยจังพี่โทรคุยสามีก็รู้สึก <ผม S 1> ว่ า, ร, าร่างกายไม่รับอาหารเดนะินเพระตั้งใจจะมาแล้วถ้าพิจารณาอยู่เป็นระจาย์ก็รู้วันจะต้องเป็นไง ตัวเขาบอกว่าถ้าได้ได้แท่นการสอนอยู่แต่ว่าสงสารสามีมากทุกคนทุลายมากสงสารตัวเองเยอะ <c oughs> ต, ต, ตัวเองก็ต้องไปเหมือนกันแต่ <c oughs> ละคนก็ต้องไปด้วยกันนะต้องเีบยบไพ่ได้ตัวด้วยกันนะส <c oughs> งสารเขาท่ไม่ได้ทำอะไรให้เราคู่สงสารตัวเราดีกว่าเพื <c oughs> ่อเราจะได้รีผ่าที่ขึ้น กำลังที่พึ่งแล้วจะไม่เดือดร้อนเราแยกกายออกแยกกายออกจากกายได้ตลอดที่วันนี้มันติดกันเนหมือนปลาทงโกะกายเป็นอะไรกายก็เป็นไปด้วยกายเป็นหนักกว่าเป็นหนักกว่ากายถ้าเราพิจารณาอยู่ในเงี่ยงๆพูดสอนว่เราเกิดมาแล้วย่อมในความแก่เป็นธรรมดา ย่อมมีความเจ็บไข้ได้เกิดเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดผาจากการเป็นธรรมดาร่วมพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายจากการพัดผาจากการไม่ได้ถ้าเราสอนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วใจมันจะสงมันจะไม่ดึมันจะไม่เผลการเืนนี้มันเป็น กาผิดธรรมชาติของของความจริงและของใจถ้าไปถึงธรรมชาติน้ำใจก็จะรับเคาะกรรมใจก็จะทุกขึ้นมาถ้าใจรับความจริงได้ใจก็จะไม่ต่อต้านไม่ต่อสู้ใจก็จะสงบใจสงบแล้วก็มีความสุข น, นั่นคือ เพศที่เราจะต้องพิจารณาสัจธรรมคืออริยสัจข้อที่หนึ่งทุกข์ัจคือการ เ, าเกิดแก่เจ็บตายสอนใจให้รู้ว่านี่คือความจริงที่ฝืนไม่ได้ที่ต่อต้านไม่ได้มีความจริงหลายอย่างที่ต้เรายอมรับได้กันในชีวิตประจำวันใอเราเราคิดไม่ค่อยทุกมากนะ ถ้าเราต่อต้านกับทุกอย่างในโวมนี้แล้วเราจะพุกงอยู่ตลอนเวลาเช่นเรายอมรับ ก, การเปลี่ยนแปลงของวันเวลาภาพที่ขึ้นภาพที่ตกเรายอมรับเราไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของอ ะ, อะไรฤดูหนาวเป็นร้อนน้อยเป็นฝนฝนเป็นหนาว เราก็ไม่ได้ไปต่อต้านไปไรเรารอมรับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเราก็ไม่ทุกกับการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไปต่อต้านอยากจะให้หนาวไปตลอดเราจะเดืดร้อนขึ้นมาคนมีสปันกรเลยต้องดิ้นไปหาที่นหนาวอยู่เรื่อยๆอยู่ที่ร้อนไม่ได้ บางคนที่มีสตางค์เขาจะทําอย่างนี้กันเวลาหนาวมากๆเขาก็บินมาที่มันไม่หนาวมากพ อ, อมันร้อนมากๆก็บินไปที่มันไม่ร้อนมามีสิงการไม่ยอมรับความจริงเห็นคนรวยแล้วพวกเราอาจจะอิจฉาคิดว่าเขามีความสุขนะเขาดินไปนู่นมานี่ห น, นีสิ่ ง, งต่างๆได้หนีความร้อนได้หนีความหนาวได้ แต่มองทางหลักธรรมะแนละ้วเขาหนักเดือดเขาทุกข์เขาไม่อยเขาอยู่เขาอยู่ไม่เป็นสุดเขาลากกับความจ็ไม่ได้ส่วนคนจนนี่แหละกับเป็นคนที่สบายกว่าคนรวยในในเรื่องเหล่านี้เพราะคนจนรู้จักทำใจร้อนก็ต้องให้มันร้อนไปเันก็ไม่มีซื้อเครื่องต่อกาศยุติ น, ะนาวก็ ถือไฟไว้เลื้อห่มภาพใด ต, ตามมีตามเกิดไม่มีงานที่จะบินใจที่มันที่มันไม่หนาที่การเดินทางไปแต่ละครั้งมันสนุกที่ไหนงานจะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมสิ่งตา่างๆเรื่องของการทำหนังสือเดินทาง ทำหนันสืออนุญาตเข้ามืองเรื่องของการถีดยองฉีดยาเรื่องของการเดิ น, ดนทางที่เสียงภัยขึ้นไปเครบินก็ไม่รู้ว่าจะลงมาในรูปแบบไหนไมันเป็นความเท็กเองแต่มองไม่เห็นไปเพราะถึองอำนาจของความอยาของความ อาวิชาคือคำว่าที่พยายามที่จะต่อสู้ต่อต้านกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่ตงต่างๆชีวิตก็เลยขึ้นไปขึ้นมาจิตใจไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับความสงบสุขของใจเพราะใจไม่มีโอกาสที่จะสงบตัวถูอความอยากนี้คอยปั่นหัว อ, อยู่ตลอดเวลา จริงๆเลยเพื่อถือฝั่นให้ให้ส่งเสียงร้องอยู่ตอลอดเวลาดังนั้นพระพุทเจ้าจึงต้องสอนให้เรากำหนดรู้สัจธรรมความจริงของชีวิตก็คือข้อแรกนี้ทุกขสัจจะเป็นความจริงที่ตายตัวเป็นความจริงที่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 ก็ไม่สามารถที่จะหนีจากความแก่ความจิตความตายไปได้และจะต้องทุกไปอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ผู้ที่พิจารณาอ ร, ริยสัข้อแรกอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องจนจิตใจยอมรับกับความจริงอันนี้ได้จะไม่ทุกครกับ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 ว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราให้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยง ม, มันมีการเปลี่ยนแปลงมีแก่มีเจ็บมีตายม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ยอมรับมันใจก็จะสงกความอยากที่จะให้มันอยู่ไปานานๆไม่ให้เจ็บไายได้ป่วยไม่ให้ตาย ก็จะไม่สามารถทํางานได้เมื่อความอยากมีไม่สามารถทํางานได้ความทุกข์ใงก็จะไม่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นตามมานี่คือการการทำงานของมร <c oughs> การศึกษาการสั่งสอนใจในใหในเรื่องของความเกิดแก่เสียตายนี้เราเรียกเป็มาคือให้สร้าง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 ร่างกายไม่ได้มีคนที่เขารับได้เขาทําได้เช่นพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านก็รับสิ่งนี้ได้เมือท่านรับได้ท่านก็สบายเหมือนกับพวกเราสบายกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของฤดูการเราก็ไม่ต้องเบี่ยงเบนไปหรืจากมันไม่ต้องเดินทางเวลา ที่เกิดอากาศที่ไม่ถูกใจเราเราไม่ต้องไปไหนเราก็อยู่ตรงนี้แหละเราก็ปรับใจปรับกายของเราให้รับกับมังไปแล้วเราจะมีความสุขเพราะความสุขนั้นเกิดจากความสนุกของใจใจจะสุขจะสงบได้ก็เมื่อตันหาความอยากต่างๆถูกก็งับไปและตันหา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 อยากไม่พลาดจะจริงต่างๆพราะเกิดความอยากนี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความริ้ตกเกิดความกังวลเกิดความว้าวุ่นเหงื่อขึ้นเกิดความทุกข์แล้วก็นำพาไปสู่การแก้ปัญหาที่ผิดคี่จะต้องรีดปัญหาวิธีป้องกันร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ ใช้ยาบ้างใช้สารรมบ้างถ้าอยากจะให้สาวให้หนุ่ไปเรื่อยๆก็ต้องใช้ยาบ้างใช้สกรรมถ้าผมก็ต้องใช้สีย้อมวันเรื่อยๆเพื่อให้มันเข้มมันเหมือนกับสีของคนหนุ่คนสาวหนังถ้ามันยานก็ไปเด่งมันให้มันเป็น แต่มันก็ทําได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งไม่กี่ปีมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมและจน้นที่สุดก็จะไม่สามารถที่จะไปทำยอะไรได้แต่ทุกขณะที่อยู่กับมันก็จะมีแต่ความทุกขความตังนิยอยู่ตลอดเวลาถ้ายอมรับความจริงได้แล้วจะไม่มีความทุกข์เลยจะสบาย อ, อกสบายใจ แก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายเห็นจะมีอะไรที่จะสร้างไปต่วุ่นวายไปทำอมันนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะพิจารณาอยู่เรื่อยการพิจารณาอยเรื่อยๆนี้เรียกว่าเป็นการเจริญนักนักต้องเจริญให้มากเจริญให้สมบูรณ์ เจิญให้เป็นที่ด้วยการกำหนดรู้ทุกก็คือศึกษาคิดถกจากศึกษ า, กษาเรื่องของการเกิดแก่เก็ดตายเรื่องของการพัดผ้าแจากกันว่าเป็นเรื่องธรรมดานางที่ทรงสอนพระอให้พิจตชฌนความตายทุกรวมหาจาังก็ออกนี่แหละก็คือการเจริญมาด้วยการกำหนดรู้ทุก คือข้อที่ว่าเกิดมาแล้วกงตายหายใจออกก็ว่าถ้าไม่หายใจเข้าก็ตายหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายพอรู้อย่างนี้แล้วใจจะค่อยๆน้อมรับมันน้อมรับความจรแล้วใจจะเกิดความสมงบเกิดความสุขละนับดับความกังวลละงับดับความวุ่นวายก็สับก็าย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 กับผู้พิจารณาหนึ่งมันเป็นคนละคนอยผู้พิจารณาเป็นเหมือนคนดูหนังส่วนเสียงที่ถูกพิจารณานั้นะเป็นหมือตัวแสดงก็ดูตัวแสดงในแสดงไปคนดูก็ดูไปอย่าไปได้ไปเสียกับคนแสดงเสียมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเราดูภาพ ย, ายนตร์แบบใจเราไม่ได้ไปเข้าข้างใคร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 ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่องนี้แล้วต่อไปเราจะเข้าใจว่าเราเป็นหลงมันเองร่างกายเขาไม่รู้เรื่องอเขาก็แสดงไปตามบทที่เขาธรรมชาติให้เขาแสดงมาเขาเป็นเหมือนต้นไม้ต้นนี้ต้ไนตไม้ก็มีการเกิดขึ้นสร้องอยู่แล้วก็ดับไปมาจะดินน้ําลมไฟเหมือนกันร่างกายก็มาจากดินน้ําลมไฟเหมือนกัน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 เวลาปลูกบ้านนักจะีปลูกต้นไม้ด้วยแล้ว็มักจะมีความผูกพันกับต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้เวลาต้นไม้เกิดเป็นอะไรไปใจก็หีวา ไ, ไปกับต้นไม้เพราะโดยธรรมชาติของใจมันเป็นอย่างนั้นใจที่มีความหลงครอบงำอยู่นีน้เวลามีอะไรแล้วมักจะยึดติดนักจะอยากให้มันดีเสมอ อยากจะให้มันอยู่ไ น, นานอยากจะให้มันมีแต่ความเจริญไม่อยากให้มันเสียไม่อยากให้มันตายไปแต่นี่มันเป็นความอยากที่สร้างอยู่บนพื้นฐานของความโง่คือไม่ศึกษาความจริงเลยว่าความจริงของธรรมชาติของเป็นอย่างไรของสิ่งต่างๆเขาเป็นอย่างไรจึิงไม่ตายถ้าเราพิจารณาดูทุกอย่างมีจุดเกิดและมีจุดดับ ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ที่เกิดมาแล้วจะไม่ดับไปจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองบางอย่างก็เกิดปั๊บแล้วก็ดับไปเส้เสียงที่เราได้ยินแต่ละครั้งมันปรากฏเข้ามาปั๊บแล้วมันก็หายไปมันเร็ ว, ว่ากแต่ถ้าเป็นวัตถุนี่มันจะช้าหนึ่งอย่างก็เลยบางอย่างก็ช้ามีความแตกต่างกัน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 ของใจที่เกิดจากการปล่อยวางสิ่งต่างๆนี้อยู่ใจถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะนิ่งสงบอยู่ตลอดเวลาจะมีความสุขตลอดเวลาเป็นปพลังสุขขังตัวที่มาทําให้ใจไม่มีปพลังสุขขังก็คือความอยากต่างๆนี้ดังนั้นการจเจริญมรรคด้วยการพิจารณาด้วยการศึกษา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 แต่ปุถุชนนี้จะทําตรงกันข้ามแทนที่จะพิจารณาอริยสัจข้อแรกไม่พิจารณาไม่สอนตัวเองเลยไม่เคยสอนตัวเองว่าเกิดมาแล้วต้องแกต้องเจ็บต้องตายพอไม่สอนครอบความหนงมันก็เข้ามาครอบงำทาให้เกิดความอยากอ ย, กอยู่ไปนานๆออะไรเกิดความอยากที่จะไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายไม่พัาดภาคจากสิ่นนงปตามไปแล้วก็จะเกิดความอยากอ ย, ากอย่างอืกก่นตามมา ไมื่ออยากจอยู่นานก็เพราะอยากจะมีความสุขกับการเสพกามนั่นเองเสพรูปเสียงเิ่งลดกดจั๊กปะโดยอาศัยปัจจัยภวะอายตรณ์ของร่างกายคือตาหูจมูกร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าเกิดการมักปัญหาขึ้นมาหาความสุขจากรูปเสียงเิ่งลดหารไม่ว่าเป็นการหาความทุกข์ในสัางตัวเองเพราะเป็นเหนือนยาเสพติด ยาเสพติดนี่เราก็รู้ว่าเมืเนะ่อเสพแล้วมันเป็นยังยาเสพติดนี่มันก็รูปเสียงกลิ่นรสปวะเหมือนกันเวลาเสพยานี้มันต้องใช้อะไรเสพนะให้ปากเนี่ยปามันก็ต้องมีการลิ้นรสเมื่อเข้าไปในร่างกายมันก็เป็นผวดพะทําให้ร่างกายมีความรู้สึกอย่างอย่างได้อย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ติดกับความรู้สึกอย่างนั้นเวลาขาดความรู้สึกอย่างนั้นไปก็ เกิดอาการลงแรงต้องหามาเสพอยู่เรื่อยฉันใดการเสพรูเสียสงเกิดรดปวดแต่พระชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่ยาเสพติดมันก็เป็นแบบเดียวกันต่างกันตรงที่ความรุนแรงมันจะไม่เท่ากันอย่างอื่นเนี่ยมันยังพอที่จะทนได้ถ้าอยากจะทนแต่อย่างยาเสพติดนมันมันเจ็บปวดมากกว่าเวลาที่จะเลิก แต่มันก็อยู่ในรูปแบบเดียวกันต่างคนที่ต่างกันตรงที่น้ำหนักของความเจ็บปวดถ้ายาเสบติดนี้มันเจ็บปวดมากลองติดแล้วเลิกยา ล, ลองมามาก็พวกสุรายาเมาผู้ดีลองมมาก็พวกกาแฟาพวกนั้นเครื่องเดรัมชูกำลังทั้งหลายลองลงมาก็คือการดูหนังฟังเพลง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 แต่พอมาพักผ่อนหลับนอนพอได้กำลังแล้วทีนี้มันก็เหมือนกับไปเสริมกำลังของลูกระเบิดที่มีอยู่ภายในใจถ้ามันมแรงดันออกมาอยู่ก็ต้องออกไปออกไปอยู่เรื่อยๆพอเหนื่อยพ อ, พอหมดแรงแล้วก็กลับมามาใหม่มันเป็นเรื่องของความหลงผาไป พาไปสู่ความทุกข์ความอยากต่างๆนี้มันพาไปสู่ความทุกข์เพราะว่ามันไม่เคยรู้จักคําว่าพอความอยากนี้ไม่ได้ทําให้ความอยากหายไปหรือแต่กลับทําให้มีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นหมือนลูกโซ่อพออยากลูกนี้น้ำก็มีอีกลูกหนึ่งเกี่ยวติดมาพออีกลูกหนึ่งมันก็มีอีกลูกหนึ่งตามมาอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นส ทีที่จะหยุดความอยากนี้ก็ต้องใช้ปัญญาต้องเห็นว่าความอยากเหล่านี้ไม่ได้สร้างความสุขอย่างที่เราคิดกันให้ความสุขก่น้อยถ้าน้อยกว่าให้ความทุกข์ความทุกข์นี้มีมากกว่าเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดคนที่ไม่เสพไม่ติดยาเสพติดจะเห็นชัดเลยว่าโอยาเสพติดนี้มันมีโทษมากกว่า แล้วไปเสพกันทาไมเพราะเวลาเสพแล้วมันก็ติดมันมีความสุดในขณะที่เสพคนที่ไม่ติดคนที่ไม่มีความอยากในกามเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเขาก็อยู่ติดบ้านได้เขาอยู่บ้านเขาก็มีความสุขบ้านเป็นที่ปลอดภัยเป็นบ้านเป็นสถานที่อํานวยความสุขความสบายได้อย่างเต็มที่แต่กลับอยู่ไม่ได้ มันไม่มีรูปเสียงเกี่ยมร้อนโผล่ถะพะชนิดต่างๆมาบำรงบำเล่าความอยากของกามะตัญหาเลยแต่ถ้าไม่มีกามะตัญหาแล้วอยู่ไม่อยากจะออกกันมากไม่รู้จะไปไหนไปที่ไหนมันก็มี เ, เหมือนกันมีรูปเสียงเกิ่ยมร้อนโผล่ถะพะเหมือนกันที่บ้านก็มีรูปเสียงเกิ่ยมร้โผล่ถพพระเหมือนกันและเมื่อไม่ติดกัน รูปเสียงเก่งรถโลผลต่ตะเพะชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วก็ไม่เห็นมีความจนเป็นที่ต้องไปที่ไหนก็อยู่บ้านอย่างมีความสุขเช่นเดียวกับความอยากมีอยากเองมันก็เป็นลักษณะเดียวกันกับกรรามฐานทีงแต่วัตถุต่างกันแทนที่จะเป็นรูปเสียงกเก่นรถโลผลต่ตะเะมันก็เป็นฐานะภาพอยากรวยอยากจะมีอํานาจลักษณะ อยากจะมีตําแหน่ง ส, งสูงๆอยากจะให้คนยกย่องสรรเสริญนับถือกรว่ายวูชาที่มันก็เป็นกิเลสมันก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึงแล้วพอได้เป็นแล้วมันครองที่ไหนมันก็ไม่พอมันก็อยากจะให้ใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆหรือถ้าไม่ใหญ่โตอย่างน้อยก็ให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นไปไมได้ ศึกษาทางประวัติศาสตร์ดูก็จะเห็นว่าคนใหญ่คนโตขนาดไหนถึงเวลามันก็หมดไปเวลาหมดตอนนั้นแหละมันก็ทุกข์ทรมานใจเวลาอยู่ก็ทุกข์ทรมานใจอีกแบบหนึ่งเพราะกลัวว่าจะหมดไปก่อนกลัวว่าจะถูกผู้อื่นมามาแย่งไปมาอัากให้เราออกไปจากะถานะขั้ที่เรามีอยู่ มันก็เป็นความทุกข์อยู่ตลอดอยล้ความทุกข์ชนิที่สามก็คือความความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากพลาดท่าจะสิ่งต่างๆไปนี่คือตัวปัญหาถ้าใจเปลี่ยนเหมือนร่างกายความอยากนี่ก็เปลี่ยนเหมือนเชื้อโรคของใจงมีเชื้อโรคสามตัวนี้อยู่ในใจแล้วก็จะมีโรคคือความทุกข์ใจ ยาที่จะรักษาโรคก็คือมรคนี่เองมร์ก็คือรรมะโอษฐที่มีสมาทิฏฐิอมมาสังกัปโปก็คือตัวสติปัญญาสมาธิศีนี่เป็นตัวที่จะมารักษามากำรรจัดเชื้อโรคคือความอยากทั้งสามเมื่อไม่มีความอยากทั้งสามนี้แนละ้วโรคก็หาย โรคที่ทุกนี้ก็หายไปจากใจใจก็อยู่อย่างปกติสุดไปตลอดดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะกินยานี้บ่อยๆหมอสั่งแล้วว่าให้กินทุกเวลาเลยพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจเท้าออกไม่ใช่วันละสามเวลาอย่างที่พระอนุญาบทูลพระพุทธเจ้า พระเจ้าถามอาอนุหนึ่งเธอพิจารณาความตายสักกี่ครั้งสาเวลาครับผมเช้ากลางวันเย็นสี่เวลาและก่อนนอนพระพุทธเจ้าจบอกเธอยังประมาทอยู่การพิจารณาเท่านี้ยังไม่พอเพียงยังไม่สามารถที่จะกจาจัดความทุกข์กำจัดความอยากที่เป็นเหตุสร้างความทุกข์ได้เพราะว่าความอยากนี้มันทํางานอยู่ตลอดเวลานั้นเ่ย ความอยากของเรานี้มันทํางานอยู่ตลอดเวลาสังเกตดูเห็นอะไรเพรานี่จะเกิดความอยากขึ้นมา ท, ทันทีไม่อยากได้ก็อยากหนีน้อยนักที่จะเฉยๆที่จะพอใจ<ม>เห็นอะไรก็จยากแต่ว่าพอใจดีชั่วก็พอใจอมันไม่ใช่เรื่องของเราเราเป็นคนดูหนังก็ดูไปเท่านั้นเองหนังดีก็เรื่องของหนังหนังไม่ดีก็เรื่องของหนัง คนดีไม่ต้องไปเต้น้รงเต้นกาไปกับหนังที่ดูใจที่มีปัญญาก็จะเป็นอย่างนั้นดูสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้แก่ก็รู้ว่าแก่เจ็บก็รู้ว่าเจ็บตายก็รู้ว่าตายก็ทำนั้นเองถ้ายังทําไม่ได้ก็ต้องซ้อมทำการว่างซ้อมสอนใจดูตัวเองแก่ไปเรื่อย ไปทําถ้ามีเครื่องคอมแล้ว เ, าเอารูปของเราไปแต่งหน้าให้มันแก่ลองดูทาสีขาวดูบ้านเนี่ยเครื่องคอมนี้ก็มีประโยชน์ได้ถ้ารู้จักใช้มันแปลงให้มันเป็นคนแก่ใจให้มันเป็นคนเจ็บเราสายยงสายยางเสียบเข้าไปเอาลงศพมาวางไว้เอาข้างจับมันเข้าไปในรงศพจกกับเข้าไปในเมนจุดไฟเผา ดูมันไปอย่างนี้เรื่อยๆท่านรอมแนว่าความจริงมันจะทำให้ใจเราต้องยอมรับความจริงนี้อย่างแน่นอนถ้าเราสอนมันอยู่เรื่อยๆมันจะไม่ลืมส่วนใหญ่มันจะลืมเพราะว่าใจเราทำงานได้ทีระอย่างถ้าเราทำงานเรื่องนี้เราก็จะทำงานเรื่องนั้นไม่ได้ที่ส่วนใหญ่เราจะเอาใจเราไปทำงานเรื่องอื่นเสียส่วนใหญ่ เรื่องทรมาหากินเรื่องของคนและเรื่องของคนนี้เรื่องของการหาความฝึกทา ง, งตาหรือจมูกเรื่องการการเวลาที่จะมาสอนากเกี่ยวกับเรื่องความจริงของการก็เลยพอได้ข่าวว่าคนนั้นเจ็บคนนั้นตายก็ตื่นเต้นกันขึ้นมายังกว่าเป็นเหตุการณ์ผิดปกติใมนกับมนุษย์ต่างดาวปรากฏขึ้นมา ทั้งทั้งที่มันแก่มันเจ็บมันตายกันทุกคนนี่อยู่ตลอดเวลาทุกคนอะทุกเวลาถ้าไม่เชื่อลองไปที่วัดดูวัดที่มีเมนไปโรงพยาบาลดูนี่คนแก่นี่คนเจ็บมีคนตายอยู่ตลอดเวลานั่นเห็นจะน่าผิดเพี้นตรงไหนเลยท้ออะไรพราะเราไม่ศึกษาเราไม่สอนใจของเรานั้เองความจริงอันนี้มันก็เลยกลายเป็นของแประหาลาดไป เป็นเหมือนกับว่ามันเป็นมนุษย์สามดาวพอใครตายทุกคนอย่างนี้โอ้โหเต้นต้นกันใหญที่ภาคที่จ้านกันใหญ่หวานที่ตกกันใหญ่แต่พอสักพักก็ลืมไปละแก่ไม่กี่นาทนพอคุยเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นปักหายไปเลยแล้วพอพอมีเรื่องให้คิดก็ตกใจเัยลองคิดดูทักวันดูเสร็จทุกเวลาดู เจ็ดวันนี้รับรองได้ว่ามันจะต้องเห็นอะไรสักอย่างนึ่งมันจะต้องรู้กันว่าจะกลัวหรือไม่กลัวจะแพ้หรือไม่แพ้จะใครจะแพ้ใครจะชนะรับรองได้ลองพิจารณาความตายดูสักเจ็ดวันให้กแบบตื่นมาจรพิจารณาด้วยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาบวกให้ฟังรนะับรองได้ต้องมีอะไรเปลี่นยนแปลงแน่นอนเพราะเป็นการเจริญมะ ถ้าจเจริญอย่างนี้เจ็ดวันเจ็ดคืนนี้รับรองได้มันจะต้องได้ผลได้ผลหนึ่งขึ้นม า, าแน่นอนอย่างที่พระอัญญากรทยะได้แต่งวาจาไว้เหตุการที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาจะร้องอ๋ออเข้าใจเมื่อก่อนมันเกิดภายนอกมันไม่ได้เกิดในใจเราใจเราห่างเหินจากความจริงนี้นตอนนี้เราเอามันเข้ามาสู่ในใจเรา มันมประกอบกับความคิดของใจเราแล้ ว, ลวมันจะไม่กล้าเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาไม่รู้จะอยากเอาอยากไปทํามอยากแล้วมันก็ไม่ได้เอาไปอยากแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามความอยากอยากไม่เจรอยากไม่เกยดอยากไม่ตามันก็ไม่เป็นไปตามตามอยากมันมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับตนเองโดยปร้างประโยช น, นี่แหละคือเรื่องของอรยาาิยสัจสี มันเป็นสองฝ่ายฝ่ายผูกกับฝ่ายแก้ฝ่ายผูกก็คือสมุทัยสมุทัยมันจะผูกแล้วสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจด้วยความอยากต่างๆฝ่ายแก้ก็คือนักที่จะมาสอนใจให้ยอมรับผ่านกินจะได้ไม่ต้องไปอยากกับอะไรเมื่อไม่อยากกับอะไรมันก็ไม่มีความทุกข์ใจเราจะทำสอข้อแรกเป็นฝ่ายผูก คือทุกข์กับสันนิษฐของข้อหลังคือมรรคกับนิโรธเป็นฝ่ายแกเป็นเหมือนกับการต่อชื่การชักกเยือของสองฝ่ายฝ่ายเหลืองกับฝ่ายแดงแล้วแต่ว่าฝ่ายไหนจะมีกําลังมากกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็ชนะถ้าถ้าสันนิษฐานมีกําลังมากกว่าทุกข์ก็เกิดขึ้นมา แดงแฉะขึ้นมาทันทีถ้าฝ่ายมักมีกำลังมากกว่าเนืโรคก็ปรากฏขึ้นมาทุกข์ก็แล้วไปฝ่ายเขียวขึ้นมาไม่ใช่ฝ่ายเหลืองนะฝ่ายเขียวพูดเพื่อให้รู้ว่าไม่ได้ฝักฝ่าย ลองสังเกตดูลองดูที่ใจเรามันมันมันทํางานอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามันจะทํางานฝ่ายไหนที่ทำงานถ้าอยากแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายฝ่ายทุบทํางานขึ้นมาทันทีถ้าฝ่ายถ้าตรงก็เป็นฝ่ายที่ฝ่ายมัดทำงานทันทีดังนั้นเวลาใครเป็นอะไรก็ก็รู้ว่ามันเป็น ถ้ามีอะไรทําได้ก็ทําไปมีช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปถ้าช่วยไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อให้มันเป็นไปตามความจริงจะไปปีโทยตีพายไปร้องห่มร้องหา้ามันก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้ดีขึ้นมีแต่จะทําให้ใจเราเศร้าหมองไปเลยเป่าไปเลยนี่คืองานกํงงาลั้นนะ ขอให้เราพรย า, าพยามทำกันพยายามพิจารณาอยู่ในเรื่องลองทำดูสักเดืมวันไม่ได้เลยพิจารณาความตายตั้งแต่เตนถึงหลักนะลองทำดูใครมีความสามารถที่จะทำได้ลองทำดู แต่สอนมาเนี่ก็รู้สึกว่าได้ผลอยู่คนหนึ่งมีคนที่เข้ามาฟังเทศฟังธรรมจนท่านเขียนนี้ต้องบทชีแล้ะอีกค น, นมาปีก่อกว่านะั้นมาฟังข้งหน้ก็บอกไม่เคยเข้าว่านี่เลมามาวัดก็มาป้อนตาอย่างเดียวป้อนตาแต่มามีคนหนึ่งนะบอกให้มาฟังเทศดูว้างก็เลยมาฟังเทศอ า, านะทิตย์ละคร หลังจากนัก้ น, นก็เป็นสาวาทิศหลังจากนัก้ น, นก็เป็นสาวาทิศก่อนวันพระหลังจากนัก้ น, นก็มีทั้งก่อนวันพระแล้วมันแต่ตอนนั้นเราก็เริ่มตัดไปเรื่อยๆมีสมบัติเจ้าของเัินทางอะไรที่ไม่จําเป็นปก็อยาจะยกให้กั่นไปนานที่สุดก็ไม่รู้ว่าจะอยู่เป็นทาไมก็เลยได้บวชชี แต่ก็ไม่ได้อยู่วัดเพราะเดนในบ้านที่อยู่ในในส่วนที่มันเป็นเหมือนกับบ้านจากสรรแต่คนบ้านจากสรรที่เขาขายที่ให้ปลูกบ้านเองแล้วมันก็สงบพอสมควรเรียกไว่าเหมาะกว่าการมาอยู่วัดเพราะว่านี่มันถือก็คนเยอะอยู่แล้วก็ไม่สงบเหมือนกัน พอได้ในเรื่องต้นคือว่าการปฏิบัตินี้ขอให้มีที่สงบพอสมควรจะเป็นวัดหรือเป็นบ้านก็ได้ถ้าเป็นวัดแต่มันไม่สงบมีคนทุกข์านมีคนอยู่เยอะมันสรุบ้านที่ไม่มีคนอยู่ไม่น่าอยู่คนเดียวอยู่บ้า น, นกไปทำปฏิบัติได้ทำกันบ้านไปก่อนเมื่อพร้อมที่จะเข้าห้องสอบแล้วเข้าไปหาห้องสอบทํำดู อยู่ในวันอยู่ที่เปลี่ยงที่น่ากลัวดูถ้าพร้อมที่จะเข้าห้องศัเริต่ต้นต้องทําการบ้านให้พร้อมก่อนการพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายนี้จะเป็นเหมือนการทําการบ้านเมื่อทําจนถึงที่สุดแล้วเราคิดว่าพร้อมแล้วพร้อมที่จะตายแล้วไม่ก็อยากจะรู้ว่าจริตมีไม่รือว่าเราปลงได้หรไ ม, ไม่ก็ไปหาที่น่ากลัวน่ากลัวอยู่ เราดูแค่ว่ามันยังกลัวอยู่หรอเปล่าถ้ามันโปร่งได้แล้วมันไม่กลัวถ้าเราทำได้แล้วมันไม่กลัวถ้ามันยังกลัวก็สแสดงว่ายัางยังทําไม่เสร็จยังไม่ผ่านก็ต้องกลับมาทําการบ้านใหม่หรือต้องอยู่ในห้องสอบนั้งไปเรื่อยๆากลางมันจะผ่านแต่ใเรื่องตอนนี้อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้ เาก็อยู่ที่บ้านปฏิบัติอยู่เต็มขอันเข้มคนไว้เท่านั้นแหะของการปฏิบัติมันเข้มค น, มน ต, ตั้งแต่เต็มขึ้นมาโดยทั้งหลักเลยขอให้มีแต่งานคือการเจริญนักเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาตลอดเวลาที่เราตื่นขึ้นมาัดลองได้ว่ามันจะต้องก้าวหน้าหรือไม่มันจะต้องไปได้ช้าหรือเร็วนี้ก็ขึ้นอยู่กับ กินสีทู่มีอยู่ในตัวเราคือศรัทธาสติสมาธิปัญญาวิริยะถ้ามีมากก็ไปเลยา้าขาดปัญญาก็ต้องหาปัญญาจากผู้อื่นไปหาผู้รู้ไปศึกษาจากผู้รู้จากจุบาอาจารย์ที่ท่านผ่านไปแล้วความเ ท, ที่ังธรรมของท่านอยู่เรื่อย ก็จะทำให้ลดขึ้นยาไปได้เพราะปัญญานี่เป็นตัวสําคัญที่สุดในในอินทรีย์ทั้งห้าเพราะจะหลุดพ้นได้ด้วยปัญญาสมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญาสติสนับสนุนให้เกิดสมาธิเสีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิสติต้องมีอยู่ทั้งทั้งในขณะที่รักษาเสียงก็ต้องมีสติ ถึงจะรู้ว่ารักษาอยู่หรือไม่สตินี้จําเป็นอยู่ในในในธรรมทุกข่านต้องมีสติเกี่ยวข้องอยู่ทุกขั้นแล้วว่าจะขั้นทานขั้นศีลขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาสตินี้เป็นตัวที่ต้องไปตลอดควบคู่ไปกับธรรมอย่างองื่นแต่ปัญญานี้เป็นตัวที่จะตัดกิเลสได้ถ้ามีศีลมีสมาธิก็เป็นเหมือนพระปัญจวัคคี ตอนที่ยังไม่มีท้าพุทธเจ้าต่จะรู้ขึ้นมาก็ไปไปไม่ไปไม่ได้ไปไม่ไกลกว่าที่ได้ก็คือสมาธิได้ฌานแต่พอพระพุทธเจ้าแต่จะรู้แล้วมาสั่งสอนเพียงครั้งเดียวปัญญาก็ปรากฏขึ้นมาทําให้หลุดพ้นได้ทําขั้นยากขึ้นมาอย่างวดเลยวดังนั้นต้องมีผู้สอนมี้ครูบาอาจารย์ ถ้าไม่มีครูาอาจารย์ที่มีชีวิตยอยู่ก็อาศัยหนังสือของท่านหรืออ า, า, าศัยหนังสือที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนมามาเป็นอาจารย์ไปก่อนก็ได้เพราะด้วยลําพังนะเราเองตัวเราเองไม่ได้มีทางที่จะมีปัญญานในระดับที่จะสามารถสอนตัวเราเองให้ถึกพรุงได้เรามันเป็นเพื่อระดับสาวกไม่ใช่ระดับพุทธภูมิ เราสาวกภูมิเราต้องมีครูมีอาจารย์ะฉะนั้นเดี๋ยวจะหลงทางได้จะเป็นวิปัสสนุได้ราะทางนี้มันมันค่อนข้างที่จะลึกรับสลับซับซ้อนมันจะเปิดได้ทุกขั้นระดับของการปฏิบัติ อยูในขั้นไหนมักจะติดอยู่ในขั้นนั้นถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยชี้บอกว่ากําลังติดแล้วก็<อ>จะลอติดอยู่อย่างนั้นไปนาน<อ>แต่ถ้ามีครูอาจารย์ครับจะรู้เลยว่าขั้นแต่ละขัน้นนี้มีไว้เพื่อให้ก้าวขึ้นไปสู่ขั้นนี้พอได้ขั้นนี้แล้วก็ต้องขยับขึ้นไปแช<อ>่นพอ ท, ทาอยินทําทางหมดแล้วก็ขยับขึ้นสู่ขั้นเสียงพอรักษาเสียงได้อย่าง พอถึงแล้วก็ต้องเข้าสูงการเจริญสมาธิพอได้สมาธิแล้วก็ต้องออกสู่การเจินปัญญาพิจารณาปัญญ า, ญญามันจะไม่ติดอยู่กับขั้นในขั้นนึ่ถ้าไม่มีครูบาจารย์ถ้าอยู่ในขั้นทานก็อยากจะทำทานมาลูนเดียวไม่อยากจะรักษาศีลไม่อยากจะภาวนาสังเกต ด, ดูคนที่ทําทานนี้ก็จะติดอยู่กับการทำทานทำทานโม่แต่หาเงินหาทองมาทําทานกันมันก็วนอยู่ในอา่าง ทานนี้มีเพื่อปดเปรื้องการยึดติดกับเงินทองเข้าขอที่มันเหนือกินเหนือชั่เพื่อให้เราได้รักษาสินได้ง่ายคนที่ให้ทานนี้รักษาสินได้ง่ายกับคนที่ไม่ให้ทานราคนที่ไม่ให้ทานนี้มีความตเหนี่มีความโลภอยากจะได้มากขึ้นอยากจะมีมากขึ้นก็จะสแสลงหาทุกสี่ีทางเพื่อให้ได้มากขึ้นถ้าต้องผิดสินก็เอาขอให้ได้ไว้ก่อน คนที่ให้ทานอยู่เรื่อยๆแล้วจะไม่หิวจะไม่โลภกับผลประโชท่าก้องเงินทองท อ, อยากจะให้เงนมีน้อยลงไปเรื่อยๆอยากจะมีเหลือไว้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นมันก็รักษาศีไม่งนะ่ายมีความเมตตาคิดถึงผู้อื่นเ้าเพื่อเปิดแผ่ดูแลผู้อื่ น, น, นไม่ว่าจะทําอะไรก็จะคำํำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นก่อนเสมอก็จะรักษาศีจะมีเสียงขึ้นมาดโดยอัตโนมัติโดย เป็นเป็นผลต่อเนื่องจากการให้ทานนี้เมื่อมีสีแล้วผลต่อเนื่องก็คือจิตที่มีสีนี้มันจะสงบ ก, กว่าจิตที่ไม่มีสีจิตที่มีสีนี้มันจะไม่กังวลไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนกับการกระทำที่มันเสียหายเพราะไม่ได้ทําจิตที่นี้ไม่มีสีนี้มักจะทําอะไรที่ทําให้จิตใจต้องมีความกังกวลก้าวจกระสับกระส่ายเป็นเหมือนัวสํานลังหวา ก็จะทําให้ จ, จิตใจไม่สงบ ก, ก็จะไม่เห็นคุณค่าของความสงบคนที่มีศีลลวเห็นก็จิตนี้เราสบายนะมีความสงบนะก็อยากจะให้มันสงบมากขึ้นก็อยากจะเท่าสุตานทําจิตให้เป็นสมาธิเพราะรู้ว่าเวลาทําสมาธิแล้วมันยิ่งสงบมันยิ่งมีความเสงบมากขึ้นแต่พอมันก็รู้อีกว่าพ อ, อ, อจากสมาธิแล้วมันก็ มันก็กษรสับกระสายได้ขึนน้นไหวได้เวลาเราจะเห็นมั น, น, นตัวสังข์ไได้ยินได้ฟังอะไรแล้ ว, ลวก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้มันก็รู้ว่าสมาธิก็ยังไม่พอมันต้องมีอีตัวนึ่งก็คือปัญญาเพราะปัญญานี่สามารถที่จะมาประกบกับใจเวลาที่ได้ยินได้ฟังอะไรจะประกบอยู่กับใจให้ไ ม, ใหษรรษไม่ให้กระสับกระสาไม่ให้กวนกังวลไม่ให้ดีใจเสียใจได้ ก็จะให้เห็นว่าให้รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้น mm hmm. เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแหละเราอยากไปอยากหรือย่างแล้ว mm hmm. เราจะนั่งกระสับกระซับเราอยากไปได้ไปเสียอะไรกับเขาแนละ้วเราจะไม่มีความทุกข์กับเขาเนี่ยนี่คือปัญญาถ้ามีปัญญาประกอบอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วต่อไปงมึงก็จะสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องนั่งสมาธิกะนะ็แล้ แล้วมันจะสงบอย่างถาวรพอมันเข้าใจแล้วต่อไปมันก็จะถอนเข้ามาข้างใ น, นมันจะปล่อยวางข้างนอกหมดปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเป็นไปตามเรื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นนะ้องเป็นเพื่อนเป็นใครก็ตามเขาก็ต้องเป็นไปตามยินตามกคำของเขาเราไปทำอะไรให้เขาไม่ได้หรอกส่วสิ่งที่เราทําได้ก็เพียงเล็กเล็กน้อยน้อย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 ปัญญาจริงจะเรื่องสำคัญว่าพระอริยสัสี่เนี่ยแหะคือเห็นเห็นเห็นรับปัญญาเป็นตัวทําให้ปัญญาของฉันนั่งเฉียดแหลมคมจนสามารถตัดภพตัดชาติตัดอุทตัดความอยากให้หมดไปจากจิตกัดไมด้ทำอย่างอื่นตัดไม่ได้เวลาที่ตัดไม่ได้สีนุตัดไม่ได้ทางตัดไม่ได้สติตัดไม่ได้ ต้องปัญญาปัญญาในอริยสัจอยูปัญญาในใจลับมีเท่านั้นเป็นของพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้ปัญญานี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงเระานั้เดียวถ้าเรามาเกิดในทบในยุคที่ไม่มีศาสนาพุทธแล้วเราก็ไม่มีทางเลยที่จะที่จะหลุดพ้นได้ยกเว้นว่าเราเป็นโพธิสัตว์ได้บำงพ็ญบุญบางมีมามากจนสามารถ สอนตัวเราเองได้อย่างเี่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนพระองค์เองได้เท่านั้นแหละซึ่งมันเป็นหนึ่งในไม่รู้กี่แสนล้านคนที่จะเป็นอย่างนี้ได้พวกเราเ ป, เป็นเหมือนพวกคนธรรมดาสามัญต้องอาศัยคนฉลาดเป็นตระเวนเช่นพระพุทธเจ้าเท่านั้นมาเป็นครูเป็นอาจารย์ ถ้าพุนี้ทานี้เราได้มาเจอคำสอนของเอกับบหุษและเราไม่ตัดตววก็ช่วยไได้ไม่รู้ว่าจะได้มาเจออย่างนี้อีือไรยากยากมากปัญหา น, านี้คำสอนนี้ก็จะมีอายุไม่เกินห้าพันสี่หงที่จะทรงได้ทำนายเอาไว้หลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นช่วงยุคที่ห่างจากคำสอนที่เ ร, เรียกว่า อะไรกลับเนะี่ยกลับที่ว่างเว้นจากพุทธังดอก็ไม่รู้กี่กลับยราจะต้องกลับมาเกิดกลับมาตายไม่รู้อีกถ้ากี่ล้านถ้ากี่ล้านพบ ก, กว่าจะได้มาสัมผัสกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกพระองค์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 มาตัดทะลุมาสั่งสอนตโลกและหลังจากนี้ก็จะมาอีกมีกพระองค์หนึ่งชื่อนี้ชื่อนี้มาเราอาจจะพลาดทั้งหมดเลยอย่างโชคดีเราได้เจอองค์นี้ปัจจุบันแล้วถ้าเราไม่เอาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะมันไม่ยากนะแ 7, 000, 7, 000ค่เจ็บมันเจ็ดคืนแค่นี้เราทนนั่งเราบินหลายชั่วโมงไปรอบโลกได้ แบบแทแค่นั่งพิจารณาความตายเจ็วันเจ็ดคืนไม่ได้ให้มันรู้ใจานนี่คือการบ้าแล้วข่าวงานมาแล้วมาเล่าให้ฟังว่หน่อยบุคลากรยังทำไม่เสร็จ มันเวลามันผ่านไปเร็ว น, นัปีใหม่ก็หมดก็ไปเกือบเดือนนั่งชีวิตก็น้อ ย, องอ ย, ยง ล, งลงไปเรื่อยๆชีวิตเราก็เป็นเหมือนเพียนพอเสื่อมแล้วนก็มีแต่จะสั้นลงตั้นลงเรอยอายุยาวขึ้นแต่แต่ชีวิตมันสั้นลงคือตัวเลขมันยาวไปเรื่อยเพราะนี่สี่สิบนะห้าสิบนะมันยาวแต่ชีวิตมันสั้นลง ส่วนที่เหลืออยู่เนีมันจะสั้นลงน้อยลงไปเรื่อยๆ เ, เวลาที่จะได้บำเพ็ญเวลาที่จะได้เจรนนิญรุ่งเรื่องมันก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆอย่าไปผัดวันประกันเพื่อควรรีบรีบพันเข้ามาทางในเสียมีภารกิจการงานที่เราปลดเพือ่อได้ตัดได้ก็ปลดไปปลดเพือเอ่อมันไปเถื่อตัดมันไปเถอะ ามาทำงานอันนี้ดีกว่างานอันนี้เป็นงานที่แท้จริงของเรางานอย่างอื่นนั้นทำไปแค่ทานั้นแหละงานหลักของเขาก็คือเขาเรียกคันธทุระกับวิปัสนาทุระนี่คืองานในศาสนามีสองงานทุระมีสองทุระคันธก็คือการศึกษาการทาคำสอนฟังที่ฟังธรรมอยู่เรื่อย แล้วก็อนามาปฏิบัติพิจารณาเกิดแก่เจ็ตตายอยู่เรื่ อ, อ, อ, อยๆทำบุญให้ทานทําให้หมดเท่าที่เราไม่มีความจําเป็นก็อย่าเป็นห่วงอย่าไปเก็บเอาไว้ศีลก็รักษาให้ดีสมาธิก็ทําให้มากปัญญาก็พิจารณาสลับกับสมาธิถ้าอยู่ในสมาธิเจ้า อ, อยากไปพิจารณาพักจิตให้จิตมีความสงบให้งานที่สุดให้นิ่งให้นานที่สุด พอติตออกมาจา ก, กาความสงบออกทมาจากความนุ่มแล้วก็เอาม า, าพิจารณาความตายเกิดแก่เจ็บตายนี่คืมาเดินตรียมกงมท่างไปก่อนนะล่เกิดแก่ลลเจ็บตายเป็นธรรมดาล่วงข้ามความเกิดแก่เจ็บตายไปไม่ได้เราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเขาก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายคนนั้นก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายตคนนี้ก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายคิดไปอย่างนี้ปเป็นระยะให้มันติดไปกับใจของเราพอเหนื่อยพอเมื่อยก็หยุดเข้ามานั่งสมาธิอยู่ ทำจิตให้สงบให้เย็นให้สบายพอมีกำลังพอทอนออมามีกําลังก็ออกมาพิจารณาต่อไม่ว่าจะทําอะไรในขณะที่ไม่อยู่ในสมาธินี้ต้องให้มีความเกิดแก่เกิบตายอยู่ในใจเราตลอดเวลาเห็นอะไระการี็ต้องแก่ต้องเก็ดต้องตายคงนี้ก็ต้องแก่ต้องเกิดต้องตายพิจารณาไปานี้เรื่อยๆต่อไปมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันก็ไม่ต้องไปบังคับเลย เรื่องต้นครับเหมือนกับว่าเหมือนกับรถที่มันจะตารไม่ติดต้องเข็นกันก่อนเข็นแล้วมันวิ่งพอวิ่งแนะใส่เกียร์มันก็เครื่องติดพอเครื่องมันติดแล้วทุนนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเข็นมันละมันจะไปทางันเองปัญญามันจะหมุไปจนกายเป็นปัญญาอัตโนมัติเร่องมหาสติมหาปัญญามันจะคิดของมันอยู่ทต่เรื่องรานี้อยู่ตลอดเวลามันไม่คิดเรื่องอื่น เร่ออื่นก็คิดไปเท่าที่จําเป็นจนอย่างแล้วถ้าเข้าสู่งานอย่างนี้แนละ้วมันจะปล่อยงานอย่างอื่นไปงานที่จําเป็นก็นเพียงแต่งานที่ในปากเวี้ ย, ยท อ, ง, ยนทอยงนั่นเองเป็นพระอย่างนี้ก็แค่ไปยินทาบาทเท่ า, น, านั้นเองแล้วก็ฉันฉันเสร็จแล้วก็เข้าทางจงกรมเดินเดินเพิจารณาเดินจงกรมพิจารณาแล้วก็นั่งสมาธิตลอดประกัร ทำกิจวัตรอย่างอื่นปัดกวาดตอนบ่ายส่ ง, งน้ำตอนเยนเ็นนั่นงตะเนินจนผมนั่งสมาธิสลับใจจนถึงเช้าก็อออกบินตะบะยัง ใ, ใจก็มีแต่เกิดแค่จิตใจอยู่แต่ไมเลี้ยงพิจารณาไม่มเนี้ยงแล้วความหลงมันจะมาหลอกเราได้ยังไงความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะมามันจะไม่มีที่ให้มันคิดเนี่ยมันจะไม่มีทางออกมานะ มัอยู่ที่มันอยู่ที่การทาํางานนี้ทา่านั้นเองส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเอามาทํางานในทางนี้กันเราถูกความหลงดึงให้ไปทํำงานอือ่นแทนไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงโน้นนั้นห่วงเรื่องนี้แล้วก็ไปแก้ปัญหาเขาไม่ได้เลยเด็กก็แก่ไปเจ็บตายตายไปอยู่ดี เราก็แก่ไปเจ็บตารตายไปอยู่ดีแล้วก็ทุกไปกับการแก่การเจ็บการตายถ้าเราทํางานอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกแต่เจ็บตายก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ความทุกข์ไม่มีในใจเราเท่านั้นเองนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเกิดจากการทำธุระสองส่วนนี้คือขั้นถาธุระทำนิพพานญาธุระ ที่เราต้องศึกษาต้องฟังอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าถ้าเราไม่ฟังอยู่เรื่ อ, อนะเราจะลืมตอนในเรื่องต้นนี้เราฟังปั้บพอเราออกจากที่นี้ไปรับ้บเราก็ไปคิดเรื่องอื่นกันละไปทำเรื่องอื่นกันเรื่องที่เราไม่ไม่ฟังก็จางหายไปลืมไปหมดเลยว่าวันนี้ได้รับการาว่าอะไรแต่บ้างไม่ได้รับ ไ, ไม่ได้อไปทา แต่ถ้าฟังอยู่เรื่อยๆมันก็จะมีอะไรคอยเตือนสติเตือนใ จ, จเยอยๆว่านี่คือการบ้านที่เราต้องทำแล้วพอมีอะไรเตือนใจอยื่เอยอๆเราก็จะได้ทําถ้าเรายังไม่ทําำเรวก็าถามตัวเราว่ามีอะไรเป็นอุปสรรคมีอะไรที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้ก็แก้ไขไปอะไรเป็นอุปสรรคที่เราสามารถปลดเครื่องได้เราก็วควรจะปลดเครื่องมันไป เพราะไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับงานงานทางน่านดจดตใจงานอย่างอื่นนั้นไม่สําคัญงานอย่างอื่นมีเพียงสนับสนุนงานนี้เท่านั้นเองถ้างานอย่างอื่นไม่สนับสนุนงานนี้ก็อย่าไปทําเลย ง, งานที่มันสนับสนุนก็ไม่มีอะไรก็เพียงแต่การเลี้ยปากเลี้ยงท้องนนให้ร่างกายนี้ไม่เจ็ค่ายได้ส่วยมีกําลังลังชาที่จะเดินจนค ง, งนั่นงสมาบุษทำานนี้ ที่เป็นงานที่เป็นงานที่สําคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างอื่นไม่สำคัญทาไปก็เท่านั้นมันไม่ได้ส่งเสริมการปฏิบัติทางงานทางด้านคันธาธุระคาวิปัสนาธุระมันก็จะไม่มีถ้าไม่มีคันธาธุระมิปัสนาธุระมันก็จะไม่มีการหลิตผลมันจะไม่มีวินิจดังผ ล, ลเกิดขึ้นมามนพระพุทธทานก็จะเป็นเพียงแต่ชื่อเท่านั้นเอง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 ถ้าอย า, นานนอกได้มกรคผมนิพพานก็ต้องมีคําทัศนทนละยุติศสนาทุนสามเทศสางทางสลักับการปฏิบัติทาไงไนลัตฟองก็ได้ครูบาอาจารย์ก็มีครูบาวิธีจตกต่างกันไปแล้วแต่องไหนที่ถูกจริตกับเราที่เราเอามาใช้ให้แต่ประโยชน์ได้ก็้วก็ฟังใกนั้นตอนเป็นหลักก็ได้ ปัญญาอบรมสมาธิกับสมาธิอบรมปัญญาที่สามารถขับกันไปขับกันมาก็ได้ในในในคนคนเดียวคือขั้นตอนของการทำสมาธินี่มันทําได้สองละสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือการป่องใจด้วยการบริกรรมด้วยการกําหนดให้ใจอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ให้จาจลอยไปสู่อารมณ์อย่างอื่น ให้อยู่กับเรื่องนี้เรียองยนี้ให้อยู่กับลมหายใจก็ออกก็เป็นอนาตนสติให้อยู่กับการเมตกรรมพุโทโธพุธโทโธก็เรียกว่าเป็นเป็นพุทธานสติก็จะทำให้จิตเข้าสู่สมาธิรวมลงเป็นหนึ่งได้เป็นเอกตาลงนีวิธีที่จะสร้างสมาธิขึ้นมาอีกวิธีนี้ก็คือการใช้ปัญญาข่มใจคือเราอาจจะไมใ่ใช้ ผลิตที่ถู ก, กับการบริกรรมหรือกับการดูลมหายใจแต่เราถูอ ก, กับการพิจารณาความแก่ความเจ็บความตาแล้วก็พิจารณาความแก่ความเจดบควาตายตเนี้ยจนถ้าจิบมันรงงันกปเจอความสงบปกติเวลานั่งสมาธิจะใช้กาหลมหายใจสิคะถ้าถ้ามันนิ่งดินก็จะสงบไปเลยแต่ถ้าบางวานันจิตมันฟุ้งมากมก็จะดึงเอาศพคุณแม่มาดูบ้างสมใครๆมาดูบ้างแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยแล้วก็ ใจมันจลุดลุดลงมาแล้วมันก็จะกลับม า, าดีาคืออันนี้เรียกว่าปัญญาอุณหภูมิคือในคนคนเดียวกันสามารถทียกใ้กได้อย่างไรก็ได้เป็นสอวิธีใหญ่ๆปัญญาอุณหิสมาธิก็คือการพิจารณาสัอริยสัจสี่สัพอริยสัจข้อแรกนี่พิจารณาเกิดแก่จตตาพิจารณาอสาุภะอสุภัน หรือแม้แต่ทั้งพิจารณาเวทนาในขณะที่เกิดความเจ็บปวดในขณะที่นั่นก็ได้พิจารณาจนปล่อยวางเวทนาได้จิตก็รอย่างสู่ความสงบได้ไม่ไปยึไม่ไปมีปฏิกิริยาตอบโต้กับเวทนาที่กําลังเกิดขึ้นหรือไม่อยากให้มันหายหรือไม่ไปกลัวมันปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันจิตก็รวมดวงเข้าสู่ความสงบได้มันดีอ ท่นบอกมาใจก็เอาไม่อยู่นาา่ะจิต<ช>ไป<ช><ๆ>ก็เลยดึงยิงสอบมาดูดึงแล้วเาจะรนใก้เนี่ย น, น, น, นีเป็นการทําสมาธิแต่พอได้สมาธิแล้วนี้มันก็มีงานหลักที่เราต้องแก้ให้ได้ก็คืออุปทานความยึดติดในขันห้ายึดติดในร่างกายคือตอนที่เราทําบัญญาติลสมาธิมันเป็นเพียงงานเฉพาะกิจงานที่ ท, ที่ที่มีปัญหาอยู่ในขณะนั้นแล้วก็ทํา ที่บางทีมัน ก, มนก็มันก็เหมือนก็เป็นเป็นผลพลอยได้จากการนั้นนี่คือเราจะได้ปัญญาเราจะไดะ้เราจะได้งานในที่เราต้องทําด้วยในลำดับต่อไปก็คือเราได้รับอุปทานในร่างกายก็ดีในเวทนาได้กด็ดีก็ทำใหงานของเรานี้น้อยลงไปสำหรับพวกที่ใช้ปัญญาลงามาเพราะกิงนนกเพีเดียวได้สตัว ถ้าสืบดวงเดียวได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเอคือปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเมตไนน์ได้แต่นอกจากนั้นแล้วมันยังมีมีกิเลสที่ละเอียดตรงนั้นที่มันต้องใช้ปัญญาต้องตั้งขุดคุยนะหนูตาท่านเทศว่าตอนต้นมันจะกิเลสมันจะออกมาเท่นผ้าพวกนี้จับไม่ง่ายแต่พอพวกที่มันออกมาเท่นผ้ามันหมกไปแล้วพวกที่มันซ่อนอยู่ จะต้องอคอยกดคุยเหมือนไก่ที่มันจะต้องอคอยกดคุยหาตัวไส่เดือนตัวนอนที่มันเศร้ อ, อยู่ใกล้เดือน ต, ตัวนี้มันก็จยังมีอยู่ยังมีอยู่อันนี้ต้องต้องต้องวิเคราะห์ดูเวลาจายมีความรู้สึกอะไรที่เป็นความเศร้าหมองเป็นความทุกข์เนี่ยมันแสดงว่ามันมีปัญหากับอะไรแล้วนี่ก็ต้องวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นอะไรที่มัน อ, อยู่เป็นวันเลยจะคะก็ดูมาใช้เรื่อยๆจ้ะ ก็ดูตอนนั้นก็ต้องดูใจเป็นลัดูใจแล้วดูดูว่าใจเป็นกลางเป็นอุบเบกขาหรือ ว, ว่าใจชุกเนือใจดีใจเสียใจกับอะไรอยเงีมันจะจะต้องจะต้องกำจัดความดีใจเสียใจให้มันเป็นอุบเบกขาให้มันทัก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 สงบบ้างเล้วมีคลุ้งซ่าบ้างแต่เป็นความคลุ้งร่านลึกๆในจิตมันไม่ใช่เป็นความทลุ้ง่างแบบที่เป็นนิวรอนอันเป็นความคลุ้งซ่านแบบแบบยาความความคลุ้งซ่านในจิตลึกๆมันยังมีอยู่ซึ่งมันเป็นความคลุ้งซานที่ละเอียดต้องระดับต้องผ่านร่างกายแต่วามันติดใมันติดใจเห็นาคุ้งรานในระดับนัความทุกข์ในจระดับนั้นมั มันก็เกิดจากสังโนนุ่มบนเนี่ก็คืออุป ร, ราคะอุรป ร, ราคาความติดอยู่ในความสงบของฌานขั้นรูปฌานหรือของขั้นอูปฌานติดในสมาธิติดในความสงบเนี้พอมันรูปรพอมันไม่มีรูปฌานหรือรูปฌานอยู่ในจิตมันก็จะเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาเพรมันติด ในคามจริงันก็ต้องฟังฟังเข้าใจว่ารูปปัจจัยธาตุปัจจัยมันก็ไม่เที่ยงอยู่ในจิตมันก็ไม่ที่ยหนกันมันก็มีเกิดมีดับเวลามันมีก็รู้ว่ามันมีเวลามันไม่มีก็รู้ว่าไม่มีแต่อย่าไปดีใจเิีใจเวลามันมาหรือเวลามันไปมันไม่เป็นสัมโยนเรื่องบนมีอยู่ห้าตัวด้วยกัน อุปราคะอารมณ์ปราค า, ร า, ค า, ากรรมานะการถือตนถือตัอถอตวถือว่าเราเท่าเท้าสูางกว่าเท้าหรือต่ำกว่าเท้าเมื่อมันมีความถือตัวแล้วมันก็จะต้องมีความอยากให้ผู้นั้นผู้นี้สแสดงปฏิกิริยากับเราตามความเหมาะสมของฐานะของเขาถ้าเขาไม้สแสดงเราก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมา เนี่ยเราที่ว่าเราสงร ย, ายงกว่าญาติโยมแม่จ่าเราอย่างกายเราก็เศร้าหมองเนี yeah. ่ยเราก็ต้องทํำตามก็แจวว่าเราเปา็นบังคับเขาไม่ได้ใครจะทําอะไรอย่างไรก็เรื่อของเขาเขาจะด่าเราแล้วก็จะตำหนิเรื่อเราก็เรียอของเขาเราอยากไปดีใจไปเสียใจกับคําพูดคำพูดเนี่ย วิธีปฏิบัติของเขากับเราบางเหมาะสมกับฐานะสมควรแก่ฐานะหรือไม่เราต้องยอมรับว่าฐานะนี้เป็นพึนสมมุติสูงกว่าต่ำกว่าเท่ากันนี่มปนการเรื่องของสมมุดเท่านนะั้นจิตนวลแ้วมันมีแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวมันไม่มีสมุดอยู่ในตัวนั้นแต่เวลามันมาเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเนี่ยมันมีสมุดต้องมาเกี่ยวข้องด้วยเราก็ต้องเขา้าถึงสมุดแต่เราให้เรารู้ทันสมมุติ อยากไปยึดติในสมมุตินั้นเจอครูบาอาจารก็ต้องการว่าท่านมีพระที่น้อยกราก็มากราบเราก็ต้องรับกราบเขานี้แต่มนใจก็เป็นการเล่นละครไปใครก็เล่นไปตามสมมุติของต น, นเองเท่านั้นเองอย่างที่ในประวัติของหลวงปู่น่านที่มีการสนบทนาธรรม พระอรหันต์เนี่ยพระพิจิตเจ้ามาแสดงธารมให้กับหลวงปู่มนและท่านถามปัญหาเรื่องเวลาที่พระอรหันต์ท่านมาประชุมกันท่านนั่งกันตามลําดับอย่างไรท่านก็ทรงแสดงไว้สองลักษณะถ้ามีสมมุติมาเกี่ยวข้องด้วยก็ว่าไปตามสมมุติและว่าไปตามอายุพรรษาผู้มีพรรษามากก็นั่งอยูข้างหน้าผู้มีปัรษาน้ยก็นั่งอยูข้างหลังถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องสมมุติ ใครมาก่อนก็นั่งก่อน <laughs> first come first serve <laughs> ใครมาก่อนก็ได้รับการต้อนรับก่อนแต่เรื่องนี้มันต้องรู้ทันถ้าไม้ทันนี่มันก็จะเกิด อ, อาการหมดฤทธิขึ้นมาได้ <laughs> เรื่องมานะแล้ก็มีอุทจจาเรื่ความคลุ้งซ่าแล้วก็เน้อเลึกๆที่มีใน ใ, นใจนั่นคือมันก็ยังคลุ้งซ่า แต่เกิดจากการพิจารณาทำขุดคุยค้ยคุย้ยเคี่ยวหากิเลสต่างๆอย่างไม่รู้จักหยุดหย่อนหยัดย่อนอยากจะให้เจออยากจะฆ่ามันให้หมดนั่ไม่มีกําลังเพราะจิตมันคุ้งคลายต้องเข้าสู่สมาธิต้องเข้าประทับจิตให้สงบให้เย็นให้สบายเมื่อสบายแล้วถอนอกมาทิ้งก็จะมีกําลังมีสมาธิมีอุเบกขา อาจะค่อยๆดูไปสังเกตดูว่าอะไรเป็นปัญหาในจิตในตอนนั้นก็ยกปัญหาขึ้นมาแล้วนี่เขาดูว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจาก mana เนนะื้อเกิดจากมูปาะละค้าเือเกิดจากมุปาะละค้าเนื้อเกิดจากอริชาเนี่ยมันก็เป็นสังโนที่เราจะต้องแก้ให้ได้ถ้าเราได้ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เรื่อยๆก็จะรู้ เพท่านจะเขียนป้ายบอกว่าตามทางตลอดนั่นแะครับมาถึงตรงนี้แล้วจะเจออะไรได้จะติดอยู่กับอะไรบ้างเช่นจะติดกับแสงสว่างจะติดกับความว่างแต่มันไม่ไว่างจริงแล้วก็จะไปหลงไปยึดไปติดไปรักษามันซึ่งมันเป็นตายรัไปรักษาตายรักไม่ได้ ใครรักนี้ต้องป่อยวางมันถึงจะผ่านไปได้เนี่ยบุญคุณของครูบาอาจารย์เขจะสําคัญตรงจุดนี้แหละเพราะส่วนใหญ่ถ้าถ้าไม่มีใครมาถึงจุดนี้มาก่อนก็จะไม่ก็จะต้องเจ็บจุดนี้เช่นเคยจะคิดว่าเอาถึงที่แล้วเพราะว่าใ น, นคำปีนั้นเขาบอกว่าจิตเดิมเป็นประพัดสอนความสว่างสวัย มันเป็นความสว่างสวยของ ว, วิชาของกิเลสมันไม่ใช่เป็นกิจโดยสุดกิจโดยสุดในสินย่าปรมังสิย่างมันไม่ใช่ประทัดสอนันว่างอันนี้ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติที่ขนันมาแ้วส่วนใหญ่ก็จะติดกันตรงนี้แต่ที่ว่ากิจประทัดสอนก็คือ นิพานนี่แต่นั่นแหะคือตัววิชาก็จะไปปกป้องรักษาจิตประภัสสรก็ต้องคอยใช้สติปัญญาคอยคอยคุมให้มันประภัสสรอยู่เรื่อยๆคอยขัดให้มันสว่างสวายอยู่เรื่อยๆพอมันจะแสดงอาการอับเฉาขึ้นมาก็รีบใช้สติปัญญาไปไปขัดมันให้สให้มันสว่างขึ้นมา มันก็ต้องทํางานอยู่ตลอดเวลาถ้าใน ง, งานเราฤๅษีตังตอมมจารย์ย่งมันจะออกมาได้อย่างไรฤๅษีตังตอมมจารย์อย่างแปลว่างานในธรรมจารย์รู้ได้เสร็จขึ้นแล้วงานในมรนี้ได้หมดแล้วสติปัญญาไม่ต้องทํางานแล้วต่างๆความหมายรองฤๅษีตังตอมต ม, มจารย์อย่างเพราะว่าไม่มีอะไรต้องทำํำนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในจิตย อ, ยอย่างนั้นแล้วไม่มีการสว่างไม่มีการเศร้ า, มมารหมอง การสว่างกับความเศร้าหมองนี่มันก็เป็นของคู่กันแต่ถ้ามันทะลุไอตัวนั้นไปแล้วมันไม่มีเือยู่แล้วสว่างก็ไม่มีเศร้าหมองก็ไม่มีแล้วมันจะมีอะไรให้ทำแต่นั้นมันก็ไม่มีแล้วมันก็รูอยู่แก่ใจว่าเป็นิสทัศน์ดำมาแก่หรือยังจิตในพรมจามนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วไม่มีจิดอื่นใดที่ต้องทําอีกต่อไป มันละเอียดเข้าไปใ น, นเรื่องของระดับสัญญาเริ่ต้นจระร่างกายก่อนส่วนอย่างนี้ร่างกายก็เกี่ยวกับเรื่องเกิดเรื่องแ ก, เก่เจ็บตายเรื่องอสุภะเรื่งปฏิกลเรื่องธาตุสีน้ำมูงไฟนี่คือเรื่องของร่างกายที่จะต้องบูให้ชัดเจนให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้จริงกเกิดแก่เจ็บตายเป็นิน้ำมูงไฟไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เป็นสุภาพเป็นปฏิกูลไม่สวยงามพอผ่านร่างกายนี้ไปแล้วทีวี้มันก็เข้าเป็นสื่อตัวจิตตัวเวทนาสัญญาสังขานยิญงาณก็จะเห็นว่ามันเป็นสตรแต่อาการเป็นสภาวะธรรมเกิดดับเกิดดับคิดตุงขึ้นมาแล้วก็ดับไปเวทนากลับขึ้นตามจากความคิดตุงแล้วก็หายไปเหมือนเหมือนแสงหุ่นห้อย แล้วก็จะพ่อไปถึงตัวจิตที่มีการอาการต่างๆเกิดขึ้นในจิตตัวนี้มีสว่างสวายบ้างมีอับเฉาบ้างมีพุ้งท่าบ้างมีงสงบบ้า ง, ม, ม, างมันเข้าไปดึกเข้าไปเรื่อยๆปัญญาก็ต้องก็ต้องทันเพราะมันละเอียดลงไปเรื่ปัญญาก็ต้องแหลมขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกระเข็งเนี่ยมันก็ต้องหัว ความแรงของเข็มมันก็ต้องแรมวนไปเรื่อยตามตัวของของเกลืที่มันเอียดมันไปเรืยมันจะพัฒนางวนไปเองพอปฏิบัติ ถ, ถึงขั้นนี้แล้วมันจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งมันสติปัญญามันจะเริ่มไปโดยอัตโนมัติเมื่อก่อนนี้ทุกครั้งจะใช้สติปัญญาเหมือนกับจะสตาร์ทรถจะต้องคอยเข็นกันเมนถึงจะพิจาณาแต่พอมัน ถึงขังน้นหน้าหน้ามันเป็นน็อที่ติดเครื่องอตลอดเวลาหรือเราต้องคอยเบรกมั น, นเรื่อยๆเพรามันจะไม่หยุดไม่ยัง้งมันจะพิจารณาแบบไม่หยุดไม่ยัง้งแล้วมันก็จะสร้ความพุ่งชร้างกับงานอีมันต้องหยุดมันพอเข้ามาพักในสมาธิพอพักแล้วพอได้กําลังคือกําลังแล้วก็ออกไปพิจารณานี่นคืองาน งานของพุทธศาส น, นิกชนคือคันธุระนะนิตตินาธุระเป็นอย่างนี้ได้ไหมจันทร์ยา มีใครไปถามถามไหมครับฉันจะอาสีดีกำลังใจแผ่นหนึ่งของแขกอนก่อนมีสีสองแผนวยชนไหมถ้าจะหาแผ่นก่อนนั้นเราหานีดหนมาถึงแล้วต่างๆชุดเริ่มแรกเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนลังขับเวลาเอากำลังใจมไม่มีสีสามแปดนะครับเราจะเปล่ยนครับทำหน้าสือ เจอทำจุดสองก็คงรอกันนี้กันนึ่งครับทำทางคำตอบก่นอนดีดี 4, แล้วบวกทีเรื่องรแล้วก็กันนี้กันก็เป็นครบ จะถความยากิงของการปรอบงนนี้ไม่เียงาที่พูนกคือขอไม่ว่าหลัี่พี่คุณจงควรต้งเออพิมพมน่งลงตาพี่จะเอาเข้าเก็มีเอาสิ่งเล่นมาขอเมื่อไหรก็ได้นี่เราม่ได้พูดถึงเวลาทีนี่พถึงจะให้มันจะตัดบทชีมข้างเดียวนสองคำน้าอย่างนี้ครับบทชีมแต่จ ก็ลองถ้ามันยาวไปก็เอาที่แล้วแต่ดี๋ยดูความยาสความห่มคะเราจะได้ตัดได้เพร้นเดี๋ยวเราจะวุฒิการ์เราะเราวุฒิการ์อย่าเผื่อทีือเลยคะเอาสได์ค่อยสลายก่อนก็ลองลองดูแล้วแล้วส่งทางมาบอกกนแล้วกันเราจะได้เพราะว่าเราเวลาทำวุฒิการ์ทำอะไรมันจะต้องสายไปเล่นๆไปหรือสายผดที่ แต่ระดับ <สา S 1> เดียกันเนระดับ<ม>ที่ที่ในเว็บไซต์ระดับหนี่เราไม่ได้ทาตามระดับที่เคยทา ม, มาเพราะว้ทํ า, าตามระดับที่จะเพีงเป็นกำลังใจคือการจะพียงกลังใจสลับคุณธรรมกลังใจยงเช่นที่สิบแปดนี้เอาคุณธรรมเล่องสองมาเรื่องสิบเก้าก็จะเป็นกาลังใจที่เทศนสองาตยมข้าว่า อนเลนยี่สิบก็จะเอากระทำที่หนาามมาสลับกันมันก็จะไม่เป็นไปตามลำดับมันที่เดินที่เคยเคยทำไว้มาเรียงลําดับหน่อยไม่ใช่เวลาก็ไปดูในด้านซ้ายมันต่างกับในแผ่นนี้ก็ขอให้เข้าใจว่ า, วามั น, ม, นมันเรียงลำดับไเหมือนกันอันนี้เรียงลำดับการการความจริงที่เกิดขึ้นอยู่เราจะทำไป จิตเดิมาท้นี่มึงว่ามันหมดนะครทีนี้จิตเดิมท้จริงแล้วมันอันนี้ท่านจาริตเดิมแท้ก็หมายถึงจิบที่ที่สงบอยู่ในในชานแต่จะเป็นจิตที่ยังมีกิเลสอยู่เพราะฌานนี้ไม่ได้ ท, ทาลายกิเลสกิเลสจะถูกทาลายตอนตอนเมื่อ ม, มอีกิเลสสัตว์มีปัญญา ในใจรักขึ้นมาเรียนผู้ที่จะมีมีมีจิตบริสุทธิได้นี่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อพระองค์เององค์แรกแล้วนํามาสอนผู้อื่นอย่างสมัยที่พระพระพระพระธรรมวิการที่พรเจ้าจะตัดจะรู้จิตกลางพระพุทธเจ้าก็มีประพาสสอนอยู่แล้วแต่มันเป็นประพาสสอนของสมาธินี้เองจิตใจสงบมันก็เหมือนกับก็มันก็เป็นนิพพานแต่มันเป็นนิพพานชั่วคราว กิเลมันยังครอบงนจิตใจถ้าเป็นประเกียนก็ยังมีโปะครอบอแต่เป็นโปะที่ได้รับการทำาระถัดชาสายแจวเหมือนกับเหมือนกับไม่มีโปะเหมือนกับแว่นแว่นที่ได้รับการใช็ประจกให้มันสะอาดมองทะลุแว่นเหมือนกับว่าไม่มีแว่น อันนี้เ ก, กจิตประพาสสอนเป็นนนเป็นเป็นว่าเป็นกิตที่ได้รับการขัดขัดได้ชำระด้วยกาลังของศีลและสมาธิมีวันนี้ลูกฟงของหลวงตาแลก่อนอนี้ฉับอกว่าจิตเ อ, อ่อรื่อรเนจริงๆิตประพาสสอนแต่ว่ามันจะมีกิเลจรเข้ามาก็อะไร<ส>งไรก็เวลาออกจากสมาธิกิเลนมันก็ออกมา อ, อมารารย์นัาสมาธิมันก็เป็นประพาสสอน อ, อจากสมาธิกิเลสมันก็ออกมาเพราะโคจร น, นี่เป็นภาษาเป็นคําพูดความจริงมันไม่ได้โคจรอ่ะมันอยู่ในจิตเราตัดโลกทุกตัวนี้มันมีกิเลส ข, ของอยู่มาตลอดพระพุทธเจ้าพยายามย้อนกลับไปดูว่ามันด้นต้นที่ตรงไหนนันก็ไม่มีจุดด้นต้นจิตทุกดวงมีกิเลสอยู่ทุกดวง มีแต่พระอุตตมะกับพระอาหันเท่านั้นที่กําจัดสิ่ให้ออกไปจา ก, กจิตใจได้จ น, นเป็นจิตบริสุทธิ์ทำทางว่าใจว่าคนคนละอย่างกันกจิตประพัฒน์สอนกั บ, กบกจิตบริสุทธิ์นี่เขาเลยอย่างกันกจิตประพัฒน์สอนก็คือจิตที่สงบแต่มีจิเลสสงบตัวอยู่ในจิตนั้นไม่ทมํางานหรือจิตของ ของพระ อ, อนาคราร์อยู่ที่กําลังพิจารณาดูจิตที่เศ้าหมองบ้างสว่างบ้างนีง่ครับแบบเดียวกันกิเลสอันละเอียดเกี่ยวิชาอย่างยังไม่หมดไปคือพ่อของกิเลสก็คือเอาวิชานี้มันยังไม่ได้ถูกถอดท้องไปมันอยู่ในจิตในกระัทงของพระ อ, อนาคาม์ก็ยังมีจิตประภัสสรเป็นแบบนี้ เป็นจิตที่สงบที่ละเอียดแต่ยังไม่หมดกิเลสยังมีกิเลสอยู่ถึงว่ามีกิเลสอโคโจรเข้ามาเวลาสัมพัสต่อแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็เฉาลงมาเนีย่ยกิเลสทำให้มันเศร้าหมองเพราะนั้นถ้าไม่มีสติปัญญาก็จะไม่รู้จากวิธีปฏิบัติกับจิตดวงนี้ ก็อาจจะหลงคิดว่าเป็นพัน่ิพานแล้วเป็นจิตบริอจิตแล้วแต่ไม่ใช่คือกำลังของปัญญาที่จะกำจัดกิเลสได้ให้สิ้นสุดนี้ต้องระดับขั้นขั้นขั้นสูงสุดขั้นของพ้าอรหันทัานั้นถึงจะกำจัดกิเลสได้ถูกต้อง มันพรสวดาบันอธิรากามีอนาคามีนี้กำจัดได้บางส่วนแต่นม่นมดมีรูปความของพ่าอาจารย์มีซีดีแผ่น่งสี่สิบยมีช่วงนี้ท่านที่มาถึงนี่ดับของธรรมที่ว่าจะเกิดอะไรเนี่ยว่าที่่านสอได้มาจอะไรเนี่ยท่านอธิบายช่วงหนึ่งเป็นช่วงเช้า คนใหญ่ก็จะแม้ละเอียเหมือนวันนี้วันนี้จะพูดลเอียดกว่าทุกวันบางทีจะอธิบายอะไรบางอย่างบางทีมันก็ต้องอยูุดพูดแล้วหยูดพูดกันดงด้วยบางทีพูดแสดงก็ถ้าคิดไม่ถึงคิดไม่ออกบางทีมันก็พูดมาไม่ออกคือบางทีมันได้อยู่ในใจแต่มันก็รู้ว่าจะพูดด้วยคําพูดอย่างไร ที่จะทงให้มนเห็นภาพให้มันกระจาขึ้นอาารย์จะกที่แบ่งคนเป็นเป็นพวกประทัมะนยะใช่มายพวกประทัามะนี่ถ้าเขาบวชี่เราเขาเาสามารถพัฒนาเขึ้นมาเป็นนยะสักียขึ้นมาสูงขึนจยงจะคงคงจะได้แต่พูดตามหลักความจริงแล้วคจะยาก คือเป็นเจ้าการเป็นอาหารของกิเลสใปทั้หมดกิเลสจะครอบนาหนึ่ตงตลอดเวลาถือว่าได้เขาพยายามนะว่าวเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามสะสมทีนี้แล้เ ข, เขาก็สัรงให้ถ้าเขาพยายามเขาไม่ใช่เป็นพวกกัทธ์ปรานาเขาเป็นพวกพ ย, <c oughs> ยายามพวกนี้เป็นพวกที่ไม่พยายามยยาพวกที่พ ว, ทพวกที่ปฏิเสธเรื่องการเวียนว่ตายเกิดเรื่องก้อแกเรื่องรเรื่องเรื<ม>่องศาสนาเรื่องศาสนาพวกนี้เป็ น, นพวกกัทธ์ปราปรถนาจะมไม่รับย่างพวก คนใชที่เหมาะก็พยายามเอปขก็พยายามได้ถ้าเขารับก็แสดงว่าเขาไม่ใช่ถ้าเขาไม่รับก็แสดงว่าเขาชอเานั้นแหละพวกเราก็อย่น้อยก็อ่ะปงใงนี้ไม่ถึงมันนั่งฟังทำนี้ได้ผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่ประธานไม่ใช่ประธานแล้วล่ะพกประธานก็เคยเนี่ยชวนมาวัดนี้มา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 เราเรามองไม่เป็นท่านเองเพราะมันมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอนที่มันเกิดขึ้นมาเขาแสดงว่าไอ้ตัวก่อนนี้มันดับไปแล้วไอ้ตัวนี้ตัวตัวที่สงบมันหายไปละตัวอารมณ์ขุณเมลมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเห็นแต่ตอนที่มันเกิดอารมณ์ขุณเมลขึ้นมาพอมันพอมันไม่พอตัวนี้หายไปเราก็เราก็เหมือนกับว่าไม่ได้ดูมันพอมันหายไปแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหา เราแต่เราไม่มองว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อกี้ไม่ได้เกิดเพ่งมาถูตรนีมันก็เกิดแล้วถ้าเสียระยะหนึ่งมันก็หายไปพอมันหายไปเราก็ไม่ไปสนใจกับมันนะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันหายไปแล้แต่ถ้าเราคอยดูเราก็จะรู้ว่ามันมันมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไปมันเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อคือถ้าเราต้องให้เหตุผลมันนี้แปลว่าแปลว่าเรายังไม่เห็นความไม่เที่ยงของ ถ้าตราได้เรายังที่น้ับที่มันยังมีเกิดขึ้นอยู่ก็แสดงว่าปัญญาของเรายังไม่ทันเลยเรายังไม่ทันในใจเ้ายังไม่เห็นใจรักในสิ่งอันนี้เรายังมีความยึดติดในอารมณ์บางส่วนและยังมีการมีการต่อต้านในอารมณ์บางส่วนนีหรือเรายังใจเยินดี สิ่งร้ับสิ่ใดสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุทำให้เกิดอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีตามมาอยู่จะสรุปล้วมันแล้วแต่ว่ามันเหตุมันอยู่จากอะไรเหตุบางที่อยู่ภายนอกจากรูปเสียงกลิ่นวัตที่เราสัมผัสก็ทําให้เกิดอารมณ์ได้เนื้อเกิดจากสัญญาความจําได้ไหมมันที่อยู่คนเดียวเนี่ยมันจะจําเรื่องอะไรขึ้นมาอารมณ์ก็นนทําให้หงดมีดใจขึ้นมาได้หรือดีใจขึ้นมได้มันแล้วแต่ มีที่ว่าเราจะมีสติปัญญาทําได้ว่ามันมันเกิดจากส่วนไหแล้วเราไปใช้ไปตัดมันได้หรือเปล่าเพื่อปัญญะหรือเราจะดูที่ตรงตรงผลเลยก็ได้เราไม่ต้องไปดูที่ยตัวดูตรงตัวอารมณ์เลยก็ได้ว่ามันกดแล้วเดี๋ยวนันก็ดับมันดับแล้วแล้วหนึ่งมันก็เกิดก็ได้แต่มันจะมันก็จะดับเฉพาะเฉพาะการตรงนั้น เพออราะเรายัางไม่ได้ไม่ได้ไดักที่ต้องเห็นคือสิ่งที่ทําให้เราไปหลงนึดติดอยู่ที่ทําให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ต้องไปแก้ตรงจุดต้นเห็นคือต้องทําให้เราเข้าใจาว่าสิ่งต่างๆที่เราไปมีปัญหาด้วยนั้นเราไม่ควรที่จะไปมีปัญหากับเขาเราควรจะปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาถ้าปล่อยแล้วมันผลคืออารมณ์ต่างๆมันก็จะไม่มีเกิดขึ้น ถ้าเราดูที่ปลายเหตุก็ดูที่ผลพอมีสติรู้ตั้มมันก็ดับได้ชั่วขณะที่เราเห็นพอเห็นว่าเราแล้วก็งุ่นีุ่นนะมันก็อาจจะดับได้แต่บางทีถ้ามันรื้อบางทีมันก็ไม่ยอมดับมันก็มีมันก็ก็ต้องเข้าไปกดคุยดูต้นเหตุว่ามันเกิดจากเรื่องอะไรไปมีปัญหาไปยุบไปติดกับเรื่องอะไรเปรียบอะไรเมื่อรู้แล้วเดี๋วนี้เป็นปัญหาก็ต้องตัดมันทรงนี้ พอตัดได้แล้วต่อไปนั้นก็จะไม่เป็นยึดไปติดอารมณ์ที่เกิดจากเรื่องนั้นก็จะไม่หลุดเป็นงไงแต่อารมณ์ที่แต่เรื่องอืนที่ยังไม่ได้ตัดมันก็ยังเกิอารมณ์ขึ้นกานได้ก็ต้องแก้ปดปเรื่อยทดสอบไปเรื่อยๆทาการบ้านไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเข้าห้องสอบอยู่เรื่อยๆกว่าจะไม่มีอะไรตกค้างอยู่ใจิตอารมจะไม่มี จ็ว่างต่างๆกระจ า, าของก่อนไหมวันนี้แม่ก็มีปัญหาคือการรับถึง ปวดเองหรจหถ้าการปวดให้ก็มาพาถึงแต่ถึงแตไม่ชีก็เป็นอุบาสิกาถึงถึงแ่เพืงแว่าจะปฏิบัติแาคก็ได้หรือแบบดอุบาสิกาก็ได้แต่ทางทางธรรมเนียีเขาก็มีองค์กรที่ดูแลเรื่องไม่ชีนี้อยู่เขาก็คงจะมีกดมีเบียอะไรต่าง แต่ถ้าผู้ตามหลักทำก็เป็นถือว่าเป็นที่ที่เสียสิทธการเสนอการคู่การใคนจะไปนคนบวชคนที่คนที่สองมีคันดีเดตแล้วยังไใส่พี่ปุ๊บให้พี่ปุ๊บเพ่ะบวชขีนี่ ถือศีลแปดเข้ากันไหยครับกับข้อถือศีลแปดธรรมดาเนี่ยครับโกลวัวเขไปกลหัวเนี่ยครับแตคือแม่ชีนี้มันไม่มีอยู่ในพระพระพระวิน<ๆ>ัยก็เลยทางที่เห็นปฏิบัติการก็เป็นสองสองลักษณะคือแม่ชีที่ปฏิบัติเหมือนเป็นนักบวชคือปฏิบัติตามเหมือนกับพระที่ปฏิบัติครับไม่ชีที่ปฏิบัติเหมือนกับอุบาสิกาที่ถือศีลแปดแต่ไม่ได้โกลหัว ก็มีอยู่สองลักษณะเท่าที่เห็นนแต่ทีนี้ในประเทศไทยเรามีองค์กรคืออะไรแม่ชีแห่งประเทศไทยเ้าคงจะมีกฎมีกติกามีระเบียบอยู่จะจะจะบวชให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบเขาก็ต้องไปศึกษาดูว่าเขาเขามีกฎกติกาอย่างไรหรือไม่เฉะนั้นเราก็สถติว่าเราบวชแล้วเราก็ไปอยู่ตามสำแนักที่แม่ชีเขาอยู่กันเพราะก็จะมีกฎมีกติกา ขอเขาเช่นถ้าเราไปอยู่ที่สำนักของคุณแม่แก้วนี่ท่านก็คงจะมีกฎมีระเบียบของท่านแต่โดยโดยโดยหลักการก็คือเป็นผู้ที่ถือศีลแปดเท่านั้นเองเป็นอุบาสิกาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นภิกษุแต่ถ้าอยากจะปฏิบัติให้เป็นแบบภิกษุนีก็ไม่ได้ใครห้ามเราก็ไปศึกษาดู ถ้าวิญญาณของพิกษุนีว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็ปฏิบัติตามก็ได้มันก็เป็นอยู่ที่เราเป็นแต่ว่าไม่มีไม่มีองค์กรที่มารับรองให้เป็นกิจาลักษณะเท่านั้นเอง <c oughs> เพราะองค์กรของแม่ชีของพิกษุณีนี่หมดไปแล้วถ้าที่ได้ยินมาก็บวชได้ประมาณพันปีแล้วก็ไม่มีผู้ที่จะบวชต่อไม่มีผู้ที่จะสืบทอดต่อ ต่ะพิสุทนิ้ก็เลยสูงสูงหมดไปแต่ผู้ที่ปฏิบัตินี่ก็สามารถปฏิบัติได้คือเรารู้ว่ามีสิ่งมีข้อบังคับอะไรเราก็รักษาไปแค่นั้นเองแต่นี่มันเป็นเพียงขั้นของสิลเแนั้นเองซึ่งก็สิล5ห้าหรือสิล8แนี่ก็ขอเพียงต่อการปฏิบัติทำขั้นสูงได้เหมืนกัน เพราะว่าเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วจิตเราก็สงบเมืเ่อสงบแล้วมันก็มีสินโดยอัตโนมัติมันก็จะไม่ไปทําอะไรที่มันเสียหายทางด้านกายวาจาดันั้นจะถือสินระดับไหนก็ใช้ได้สินห้าก็ได้สินแปก็ได้เพราะในสมัยพองพุทธการผู้ที่บรรลุสินที่บรรลุเรียนพระหันสินห้าก็มีสินแปะก็มีเช่นพระราชบิดา ท่านก็อยู่ในวังท่านก็มาลดปเป็นผ้าอาหารเจ็ดวันก่อนสเสด็จสวรรคน์ก็ไม่ทราบว่าท่านถือศีแลแปดหรือถือสีลห้าแต่ท่านก็ไม่ได้ออกเดี๋ยวั้นศีลนี่ก็ไม่ใช่เป็นตัวสําคัญเท่ากับตัวภาวนาตัวสมาธิกับปัญญากับสติอันนี้สําคัญกว่าแต่ศีลก็ต้องมีพื้นฐานเนี่ยก็คือศีลห้า สิ่งของพระ227ข้อก็มี ม, มีมีปาราสุขสีที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ค่าสั์ไม่ค่าผู้อื่นะไม่ไมรักทรัพย์ไม่ไม่เสษในถุนก็คือไม่เสษการนะไม่พูดปดคืออนกระตุกหัดอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีอยู่ในตัวตน ก็มีเงาสิ k k ่งสี่ข้อของคารวาสก็คือท่าสัตวรักทรัพย์ประพฤติิ่นตเวนีและเพงแต่ว่าถ้าเป็นนักัวชก็ต้องถือสินงพรมจรนย์ก็คือไม่ถืออภรรมจริยาคือละเว้นจากการเสษกามแล้วก็ละเว้นจากการคู่กบก็มีแค่สิ่4สีข้อนี้ที่เป็นสิ่จริงๆ นอกนั้นก็จะเป็นระเบียบมากกว่าคือเพื่อที่จะให้พระอยู่ในสภาพที่น่าคารวะนับถือ <c oughs> ก็ต้องมีความสมโยมในกายวาจาในการพูดในการกระทําในต่างๆให้สวยงามให้ให้คนต้องเห็นแล้วเขาความคารวะเรื่มใส่แต่ข้อเหล่านั้นเราไม่ถือว่าเป็นสีก็ได้ถือว่าเ ป, เป็นกฎระเบียบ เช่นเวลาฉันก็ให้นั่งฉันไม่ให้ยืนฉันอย่างนี้ผตอนเวลาขับถ่ายปัสสาวะก็เหมือนกันห้ามยืนเป็นพระนี้ตรงหนั่งส่วนใหญ่มันจะเป็นเป็นเป็นกฎเป็นระเบียบมากกว่าถ้าเป็นศีลจริงๆก็มีห้าข้อสี่ข้อนี้เองสี่ข้อแล้วและกะทั่งพ้าเสด็จเวลาก็ไม่ถือเป็นตระกูลก็เป็นถือเป็นเพียงเป็นอาบัติ ท่นที่กล่องได้ตุลาเพราะตาเสียตุลาก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนนอกจากให้ตนเองเดือดร้อนเป็นหลักหรือเมาแล้วก็ไม่มีสติที่จะนั่งสมาธิาที่จะปฏิบัติทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคารวะเราอยากจะปฏิบัติทำก็เนี่หละถึงศูนยห้าแล้วถึงศแปด ถือสีสันไว้ให้ได้เล่ากันก็พอเพียงต่อการลงเทนสมาธิและตัณห์าถ้าอยากจะให้มันกระชับเข้าไปก็ถือตามกฎระเบียบของพระเกี่ยวกับเรื่องการขบฉันคือหลังจากเชื่องวันจะแล้วก็จะถ้าทัศไม่ฉันอะไรเราก็ไม่ฉันตามท่านถ้าเราไม่ได้ถือแล้วก็อาจจะถือว่านมก็ดื่มได้ไม่ได้เป็นอาหารแต่พระก็ถือว่าเป็นอาหารเราละ ท่าไม่เดือดเราก็ไม่เดืถ้าถ้านไม่จับต้องเงินทองถ้าเราไม่ถ้าเราไม่จับต้องเงินทองได้ก็มันก็ได้เองแต่ไม่ได้เพราะว่ามันสถานภ า, ป า, า <c oughs> พปรตการกันเพราะเราไม่มีใครเลี้ยงดูเราเราต้องเลี้ยงดูตัวเราเองเราก็ต้องมีเงินทองไว้เป็นเป็นตัจจัยไว้แลกเปลี่ยนกับอาหารกับปัจจัยสีที่เราต้องการ อันนี้เราก็ปรับเข้าไปกับตามฐานะของเราเรื่องอย่างนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญอะไรมากจนเกินไปมันสําคัญเหมือนกันแต่มันต้องปรับให้มันเหมาะกับเหมือนกับเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยแต่และคนมีขนาดต่างกันจะให้ใช้ขนาดเดียวกันเหมือนกันทุกคนไม่ได้แต่และคนก็ต้องปรับขนาดของเสื้อผ้าให้เหมาะกับกับตัวเราเองเพศของนักบวชก็มีหลายหลายชนิดเลย ก, ก็มีพิกสุพิกสุนี มันเองอุบาสอุบาสิกานี่ก็เป็นนักปฏิบัติเหมือนกันแต่มีมีความแตกต่างกันในสถานภาพในฐานะของตนก็ต้องให้ให้ตอบให้ให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับสถานภาพของตนนั่นเองแต่งานหลักก็คือคันถัพเทระนิปัสสนาเทระนี่ก็ยังอันเดียวกันสมาธิปัญญาก็อันเดียวกันสติก็อันเดียวกันไม่ต่างกัน นั้นอย่าอย่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องสถานะขาพว่าคุณข้าไม่ได้เป็นพิชฌานีแล้วจะมันไม่ไปถึงพระนิพพานไม่ได้อย่างนี้นอย่าไปคิดข้าอรหันนี่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถาได้ยังมีผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ตามนั้นถ้าอารหันจะไม่ขึ้ิตึกไปจากโก ท่านไม่ได้บอกว่าดาบใดถ้าไม่มีพระภิกษุแล้วจะไม่มีพระอรหันต์ท่าไม่ได้พูดอยงนั้นท่าพูดอยู่ที่พูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดที่ปฏิบัติสงควรแก่ธรรมพระอรียสสองสาวกที่เราเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุยาณะสามิจินี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ภิกษุหรือภิกษุนี้มีอยู่ในพุทธบอยสัตว์ทั้งสี่ในสมัยพระพุทธการที่มีทั้งสามเณรก็เป็นพระอรหันต์นี ทังอุบาสกอุบาสิกาก็มีเป็นพระอาหารหันกันแต่นั้นมันไม่ได้อยู่ที่สถานภาพแต่อยู่การปฏิบัติเท่านั้นเองงั้นอยากไปเรื่องนี้เป็นประเด็นแล้วมันจะเป็นอุปสรรคบางคนอยากจะปฏิบัติแต่จะต้องบวชเป็นภิกษุนี้ให้ได้แล้ก็เลยเสียเวลากับการที่จะไปต่อสู้กับองค์กรต่างๆบังคับให้เขามาบวชตอนให้เป็นภิกษุนี้ให้ได้ หรือแม่ก็ต้องไปหาสำนักที่เขามีพิกพิกสุนี้แล้วไปบวชกันที่นั่นแล้วมันก็เป็นเรื่องเป็นรแทนที่จะเข้าสู่ทางมากก็กลับไปสู่ทางกิเลสไปตามความอยากอยากอยากเป็นพิชสุนีขึ้นมาเพราะกิเลสอยากจะให้มีความเสนมอห์พาเห็นเป็นผู้ชายบวชเป็นพระแล้วมีคนให้การสนับสนุนต้อนรับตัวเองเป็นนัก บ, บวชเป็นผู้หญิงก็อยากจะให้เขาต้อนรับเหมือนกับ เป็นปนผู้ชายแต่ไม่คำนึงถึงความเป็นจริงของสังคมของภาวะที่เป็นในปัจจุบันมากเพอยงไรไม่รู้จักสังคมไม่รู้จักคนเราก็ต้องยอมแนละ้วว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเปือกมันไม่ใช่เรื่องแก่นเรื่องแก่นอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ทธกับกต่เดิที่ต่อสู้กันอยู่ในใจของเราเราสร้างทำมันในมากขึ้นเราะ แล้วกิเลมันก็จะสลายไปเองมันไม่ได้สลายด้วยผ้าเหลืองหรือผ้าสีขาวหรือผมสั้นหรือผมยาวมันสลายด้วยธรรมอยู่ตรงนั้นถ้าตรงนั้นเป็นหลักกันแล้วกันดิพาวิจจะบำเพ็ญท่านก็ไม่มีท่านก็ท่าน ก, ก็ไม่มีต่า้ก็ไม่มได้เป็นภิกษุใช่ ไ, ไหมท่านก็เป็นสมมาณะแสวงหาโมฆะธรรมเป็นฤาษีชีพาย ปฏิบัติเหมนกับพระปัญจวัคคียก็ เ, เป็นรูปสีที่พปต้ก็ปฏิบัติไปตามที่เ่าสามารถปฏิบัติได้ดังนั้นอย่าไปกันงวลนะว่าจะเอารูปแบบ ไ, ไหนดีขนาดที่มันเหมาะสมกับเราก็าเอามันอย่างนั้นะ แต่ส่วนอย่างที่มันจะบอกว่าติดไม่ติดก็อยู่ที่กองผมและไม่กองผมนะถ้ามันยังเสียดายผมอยู่นษษี่ก็แดงมันก็ยังติดอยู่ะนะ่ไหมถามมันจริงๆครับถ้าเราไม่ได้ยึดติดกับร่างการนี้แล้วเราจะไปยึดติดกับเช่นผมที่มันติดอยู่มนเสียดาทําไมเรายังยึดติดตัวตนว่าตัวเราต้องสวยต้องงานต้องมีผมมีผ้าของขวันละกองถงนั่นนหน้าตาอัตลักษณ์ขึ้นมา นี่ก็ติดแล้วยังหนองติดอยู่ครับก็อางกายยังมีสัดการยักทิฐิแต่ถ้าไม่มีสัดการยั้กทิฐิแล้วปวดก็โกนหัวเลยสบายกว่าเยอะๆผมสั้นนี้ไม่สายจะสบายอาบน้ําก็ง่ายจะดวกจักร้านก็ง่ายเอาเอาเอาสบู่ฟอกนิดหน่อยเสร็จแล้วไม่ต้องไม่ต้องรอให้มันแห้งอะไรลูบแห้งของมันเองแั๊บเดียวก็แห้ง ไม่ต้องหวีไม่ต้องอะไรไม่ต้องมีกานหาเกี่ยวกับรังแคะเกี่ยวกับอะไรต่างๆงานจะสบายแค่ผมก็เ็แล้วจริงๆก็ตั้งใจจะาแา้วเมื่อวานู้มีความ มุตรนิจใจเขาว่าเขาเจะเขียนมาถามปัญหาท่านแต่คุณเจงท่านอาารได้ตอบไปแล้วในวันนี้คือการที่มากว่าบท่านอาจก็ต้องกราบเรียนว่าท่านอาจารเป็นแบบแบบอย่างของพระพิสุให้พวกลูกนี้ในทางสมถะเป็นที่สุดองค์หนึ่งตอนนี้พอดีเราไปมีพระพิสุบางรูปเนี่ยได้ขอให้เขาทำอะไรบางอย่างซึ่งเขา จะไปว่ว่าเขาก็ไม่ผิดอลยนะคะที่ได้รับการขอร้องอย่างนั้นแต่ว่าพอมันเอาท่านอาจารย์เป็นแบบเนี่ยมันก็เกิดอคติในใจเกิดอคติในใจก็เกิดการต่อสู้กันรู้ว่าควรทําในการนี้ควรซัพพอร์ตคนอะไรงเงี้ยแต่ว่าใจก็ยังไม่ลงเต็มที่เพราะไปเอาคือพอดีอารมณ์ก็ว่าเพราะเอาท่านอาจารย์เป็นแบบยอย่างจริงจริงแต่เราท่านก็มีจรจตนา ตรที่ท่านทำนั้นก็ไม่เสียหา ย, ยนะไตรงที่ไม่ทำก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าเราไม่สามารถแยกแยะออกคือมันเป็นกรี่อย่างเราไม่ค่อยชอบทำอะไรคนที่เขาอยากให้เราทำเขาก็ไม่ชอบเราคนที่เกลียดเราก็มีขอให้ทำอะไรก็ไม่ทำให้ทัาอยาก <laughs> วันก่อนเอาลูกมานะให้ตัดผมให้บอกเราไม่ใช่ั่งตัดผม <laughs> ปัญหาองค์นู้นองค์นั้นเขาทําให้เอเขาก็ไม่รู้จะรู้สึกยังไงล่ะเราก็เราพูดไปตามความจริงเราไม่ได้เป็นช่างตัดผมเราเป็นครูสอนธรรมะแต่ยังต้องการธรรมะก็มาหาเอถ้าต้องการให้เราไปเป่าปีไปนั่งสวดก็ไม่ไปหล่ะเราไม่ใช่เป็นคนเป่าปีเราไม่ใช่เป็นนักสวด แล้วไปเจอ บ, บ้านเจอรถอะไรเร า, า, าไม่ไปเราไม่ใช่เป็นช่างทาสีไม่ใช่เป็นช่างวาดเขีนนะถต่องค์บาองค์อื่นท่านทําก็ไม่เสียหายอะไรท่านก็สงขคราะหสาวไม่ตาเราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทํำไปทุกรายการไปบางทีเราก็ต้องทำํำแต่ที่ต้องทำว่าเหมือนกับเป็นการใช้นีว บางคนเราเป็นหนี้เขาเนี่ยเขามาทวงหนี้ก็ต้องใช้หนี้ให้เขาไปเรี่อง น, นี้ดีกว่านะใช่ไหมที่เราเลือกทำไม่ใช่เลือกเพราะคนนั้นคนนี้หรอกเรียกเพราะว่าเขากป็นล้มเป็นหนี้กันอยู่เราข้างเขาเขาเคยมีบุญมีคุณกับเราเขามาขอทวงหนี้เราก็ต้องทดแทนบุญคุณให้ เ, าเขาไปงั้นบางรายเราก็ต้องเราขัดไม่ได้เราก็ต้องไปก็มีเหมือนกันแต่น้อยมาก แล้วคนหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นหนี้เขาเราก็ไม่ต้องใช้หนี้แต่อยากจะให้เราทำก็ต้องทําให้เราเป็นหนี้ก่อนเช่นคนเขาใส่บาตรแล้วเราทุกวันมาตลอดยี่สิบปีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นหนี้เขาแต่ครานี้มรดยให้ไปชั้นางนีเราก็ต้องไปแต่บางทีเขาได้บุญนะค่ะตรงนั้นไม่ได้แต่เราก็เป็นหนี้เขาแล้วเาก็เรี้ยงเรา ถ้าไม่มีเขาเราก็อดจะขาดแคลนเราก็อาจจะอยู่ที่นี่ไม่ได้นะก็จะอาจจะต้องไปที่อื่นแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ไดคิดอย่างนั้นเราเราคิดของเราไปเองคิด <Okay. S 2> เองก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าถามที่มีชายอยากจะขอบวชแล้วพวระพุทธเจ้าประทานพระว่าชายคนนี้เขามีทําคุณประโยชน์อะไรให้สังฆานาบ้างหรือเปล่าพ <Okay. S 2> ระเจ้าเลยอยู่กับหล่อเคยใส่ข้าวให้มินทพี okay. ทีจะบอกงี้ก็บรรทัดได้ใช่ครับในการการทํางานต่างๆทุกวั น, นีนบางทีมันเลยเถื่อนไปกลายเป็นแฟชั่นกไปพอคนนี้นิมนต์คนนั้นก็อยากจะนิมนต์ตามมันถ้าก็เหนื่อยท้าก็ามากับอายุ่งกับเรื่องไร้สาระหลัง เพะว่าเรื่องไร้สา ะ, ะก็ไม่เช่แลเรื่องเรื่องเรื่องเปลือกเรื่องกับพี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องแก่น เ, <c oughs> เรามาศึกษาที่เราก็รู้แล้วแก่นจะเป็นไงแล้วเอาแก่นดีกว่าแล้วเปลือกจะเอาอกระพี้ก็ไ่เสียเวลาใช่ไหม งั้นก็อย่าเอารูปใดรูปหนึ่งเป็นมาตรฐานไปถึงในเรื่องของเปิดเรื่องกับที่แต่ละลายท่านจะมีเหตุมีผลของท่านมีความจำเป็นที่แตกต่างกันถ้าจะเอาหลักก็เอาที่แก่นเป็นหลักกันแล้วกันอันนี้จะต้องไม่เหมือนจะต้องไม่ต่างกันเรื่องคันตรธุรวิปัสนาธุรานี้จะไม่ต่างกันแต่เรื่องอย่านงเรื่องการสงเคราะห์ การและกันนี่ก็แตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม ข, ของแต่ละองค์แต่ละท่านรู้บอกว่าท่านอาจารย์ไม่เคยเลยปากขออะไรพวกลูกเลยขนาดพวกลูกให้ท่านอาจารยงไม่หลับเลยถ้ามาเป็นภาระนะคร <c oughs> ับถแล้วมันก็ต้องจัดการกับมันอย่างไดอย่างหนึงถ้าเกิดไปจัดการที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกใจเขาอาจจะโดนอีก โดนโดนตรรมิติเปลี่ยนโดนวิภากษวิจาริาก็ได้ื้อไม่มีมันดีกว่าสบายกว่าเพราะสำหรับตัวเราเรามันพอแล้วใช่ไมเราไม่ต้องการอะไรแล้วมันทำไปก็คิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นแต่ความคิดของคนเราย่อมมีความแตกต่างกันได้เสม ก็พยายามบอกเขาเหมือกันนะว่าการส่งเขาเขาก็ได้บุญอยู่ใช่ไหมครับตรงนั้นขอบุญที่ที่แกนดีกว่าที่แกนดีกว่าเห็นให้พอเลยนะเยอ้เลยพอที่แกนทำงานนะคะ พอส่งกันบ้านจ้บค่ะรู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้นแล้วมันเย็นเบาแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีไม่รู้สึกตัวจัไม่ถึงขั้นสว่างสักค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้ว่าเราเรานั่งเราเหมือนจะนิ่งเราต้องปฏิบัติเชิงลุกคือต้องพิจารณาอย่าปล่อยให้ใจคิดไปตามเรื่องของมันอยวไปตามรื่มันเราต้องเชิยลุกเราบุกมันเลย มันงมาให้มคิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องตายรักอยู่ตลอดเวลาดูปวดคำพุดโวยตลอดเวลามันถึงจะเป็นเชิงลุกถ้าปล่อยให้ถึงเวลาแล้วค่อยปฏิบัตินี้มันยังเป็นเชิงรับอยู่เราปล่อยให้มันลุกเราสิบชั่วโงแล้วเราลุกกับมันแค่สองชั่วโมงมันก็ไปไมถึงไหนเราต้องดูมยมตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเยต้องปฏิบัติการเชิงลุก ไปไปฏิบัติการเชิญรั บ, รบถ้าเชิญรับก่อนเช้านั่งสมาธิชั่วโมองในเย็นนี้ น, น, นั่งสมาธิชั่วโมองส่วนกลางวันก็ส่วนเวลาอื่นก็ปล่อยให้ น, นันลุกเราตลอดเลลวลาตอนนี้หนูพยามลา เ, เอียบทีให้ก็พยาม อ, อยู่เวลานบนนั้นก็คิดถึงตายละที่ถึงเกิดแก่จ น, นตายอยู่ตลอดเลลวลาทำเพิ่ม เขาลุกมาแล้วมันต้องถอยมันน่าแพ้เราไม่เล่นใจนะจะให้พอยะยะ้าวาริวาห้าตุราวะริปุเรนติสักวังเอวัเนวะอิโทชินังเปตานังอุกปกะปะติ อิชิตังปัติตังตุงหัง่ทปะเนวะสมิจจโตสัพเพตุเรนโตสังกปาจันทุปนะระสสยถาณิโชติระโสยถาสัพพิโยวิวัชฌตุสัพพะโรโวินัสสตุมาเปปวตวันตาโยสุขีทิคายุโกภะ ราพิวะเทนสีลิกสนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมาวทาติปายวโนสุขังภาลา้ล ยังเช้าอยู่ใช้เวลาแค่ถีโมงครึ่งนะบางทีตอนนี้เราไมอจะไปทำอะไรอย uh. ู่ห้องนดียก็ไม่มีใครถามอะไรก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรข้างล่างหีนถามเลยฟังมาเดือวละคมจะรู้ตำหมจแล้วว่าต้องทำอะไร เวลามาใหม่ก็ถามกันเยอะถามตอบปัญหาของใจกันหมดนะดูแล้วว่าปัญหาไม่ดีที่ไหนอยู่ที่ตัวเราใช่ท่านใจน่าดีบัตกทำอยู่ที่วัดต้นที่หนองคายค่ะเพิ่งลงมา อ, อ, งอยู่ตลอดประจำลาออกจากงานแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นไม่โมดนาะค่อยๆเป็นไปเดี๋ยวมันก็มีกําลังมากขึ้นไป อามรู้สึกว่าเราขุนหรืออะไรนี้นะคะพิจารณาได้ทุกอย่างว่ามันเป็นอ น, นิจจังมันเกิดแล้วมันหายหรือว่าตอวฉันตัวเองเรื่องนี้นก็ได้คือ เ, เราต้องถามตัวเองว่าเราขุนกับอะไรเพราะ ใ, ในขณะนั้นมันต้องมีเรื่องใหเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราเห็นอาจจะเป็นเรื่องภายนอกสิ่งที่เราเห็นหรืออาจจะเป็นเรื่องภายในคืออารมณ์เก่าที่มันบูดมันปรากฏขึ้นมาหรืออารมณ์เก่านี้มันอาจจะเป็นเรื่องของวิบากกรรม คือเราเคยทําอะไรไว้แล้วมันคุณลามันก็โผล่ขึ้นมาที่บางวันเราตื่นขึ้นมาอยู่ดีๆก็อาบมณ์บุ๋ขึ้นมาเฉยๆนะทั้งๆที่ยังไม่ได้ไปไปไปเห็นไปรับรู้อะไรจากภายนอกอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากภายในแล้วก็ดูว่าเราแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้ก็ยอมรับมันไปอ้ามบุญก็บุญไปอย่าไปต่อต้านมันมันก็บุ๋ไปไม่กลอดแล้เดี๋ยวมันก็ต้องหยุดเองก็ยอมรับมันเหมือนกับฝนตกน เตะกันมาเจอนเนี่ยทำมันตกไปมันจะตกจะออกไปทํางานไม่ได้ก็นั่งรออยู่ก่อนรอจนกว่ามันจะหยุดแล้วเราค่อยไปมันยวมก็มันให้มันยวมไปเรามีหน้าเอ่อเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทําไปนถ้ามันจะถ้ามีสติแล้วรู้ทันว้ามันดับไปก็ดับไปถ้าไม่ดับก็ก็ปล่อยมันเป็นไปมันหรือเราจะเราจะเบี่ยงเบนก็ได้เราก็อย่าไปดูมันเราก็พุดโธพุดโธของเราไปขับมันออกไปด้วยพุทโธก็ได้ คือบาทีเราจะบอกตัวเองว่ามันก็อยู่ของมันดีๆเราไปเจอแล้วมันก็ทําให้เราขุนถ้าเราไม่คิดไม่อะไรมันก็ไม่มีไม่อยู่ของเอาถ้าเราไม่ไปสนใจมันก็มันก็จะไม่ทําให้เรามันไม่ได้มีไิดีรืเฉพาะที่มันแล้วแต่อุบายของแต่ละของแต่ละคนจะใช้จะใช้การบริกรรมพืดโทรเพื่อทัขับไล่มันไปก็ได้เราคยได้ยว่ามันมีขึ้นมามันมีขอะไรแล้วลูกก็โม้เขาว่าถ้าเรามีตัวตนหรอไป ก็จริงแลมันใช่หรือเป่าก็ใช่ไปไปตัวตนไปรับมันไปไปยินดียินรับกับมันถ้ารับรู้มันเฉยๆมันก็จะไม่เป็นปัญหาทุกใจจะไม่เกิดว่าสังเกตว่าบางทีมันแบบมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันจะพาเราพบกลับไปที่เก่าแล้วเยไม่เราไม่ใช่อยากจะทำอย่างนี้ทำอย่างว่ามันจะวนไปที่เรื่องอะไรที่เป็นของเก่านะคะสมเรื่องที่ทําให้เราดีใจเราจะเพลิ ไค่อยรู้สึกว่าเป็นทุกข์แต่ถ้าเราคิดหรือเราไม่พอใจมันจะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้ง่ายใช่ไหมเราคว่ามันลอยมาเพราะว่าเรามี่วนเรียนไปยอมเชื่อมันถ้าเราไม่ได้ถึงมันคือมรู้ไม่ได้คิดอยังไงแต่ว่ามันเหมือนมันจะแวบกลับไปแล้วเราก็ต้องเห็นมันก็ไม่ได้คิดต่อเรื่องนั้นเลยถ้าเราปล่อยวางมันได้มันก็หมดปัญหาไป มันก็เป็นเหมือนกับเรื่องภัยเนอกอารมณ์น <No> ี้ก็เป็นเหมือนกับฝนฟ้าแดดลมถ้าเรายอมรับกันได้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็อยู่ของเราไปตามของเรามันจะอยู่มันจะเป็นก็ขวัญมันเป็นไปเป็นู้สงสัยนะคะไอ้สิ่งที่มันเกิดเรานี้ค่ะมันเป็นแล้วเราจะต้องมาบอกว่าเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรา แล้วมันมีอยู่เพอเราถือมากในตัวตนแล้วเราก็เลยไปนึกถึงร่างกายเราไม่มีอะไรเราจะเราจะมีอะไรที่จะเดินทางต่อไปในครบชาติหน้าหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะคือลูกสงสัยว่าลูกสอนตัวเองถูกหรือเปล่าจ้ะค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมภายในจิต เ, เป็นเหมือนกับสภาวะธรรมภายในนั่นเลูกเสียงกิีดร้อนี่เป็นสภาวะธรรมภายในส่วนอารมณ์บูดอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดูนี่มันเป็นสภาวะธรรมภายใน ที่ถ้าใจไม่ถ้าใจไม่ฉลาดไม่มีปัญญาใจก็จะขุ่นมัวตามเลยถ้าเกิดทุกข์ในอริยสัจขึ้นมาก็คือเกิดสนุกไทยขึ้นมาเหมือนกับที่เราคุณนงัวกับที่เกิดความทุกข์กับเรื่องภายนอกถ้าเรารู้ทันเรามีปัญญาแล้วก็รู้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราไปห้ามมันไม่ได้ไปจัด ก, การมันไม่ได้มันเป็นตายรักเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับมันก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาในใจ ถ้าเราปล่อยวางมันเราก็จะไม่ทุกข์กมันเช่นมาตื่นขึ้นมาวันนี้ด้วยเหตุไม่สบายเขาออกวันนี้อารมณ์ไม่ดีแล้วนะรู้แค่นี้ก็พอไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาว่าโอ้ไม่เอาละไม่ไหวละไม่ชอบละอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาละรู้ว่ามันกรธศักแต่ว่ารู้ก็พออเหมือนกันเราสักแต่ว่ารู้สิ่งภายนอกภายในก็เหมือนกันท่านยังสอนว่าให้ให้ให้สักแต่ว่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายใน ทั้งส่วนยหญและส่วนละเอียดแต่มันละเอียดกว่าภายในนี่มันละเอียดกว่าภายนอกมากมันมันเป็นขั้นของสติปัญญาอีกขั้นหนึ่งที่ถึงจะรู้ทันมันแล้วเราขาสติสาวะบ า, ท, าทีเราตื่นขึ้นมาเพ๊ม่มไหมคะแต่เราก้าวเทา้าตั้งใจเดนจมกอการคิดที่มันค้งอยู่ขอเก่าเหมือนกับว่าเออเรื่องนี้ที่สงสัยเนี่ย มันมีคําตอบออกมาให้ลูกหมันไส้มานะคนออะมาเปลี่ยนกล้ะถ้ามันรู้ว่ามีคําตอบแล้วสดงว่ามันเป็นปัญญาไม<ห>่พูดขึ้นมาต<น>้องไม่รู้ว่าใครตอมรบอมันก็มันคําถามมันเกิดขึ้นใ น, ในที่เดียวกับคําตอบเลยละมันเอามาจากที่เดียวกันคําถามก็มาจากสังขารคําตามก็มาจากสังขารลูกถามหลวงพ่ อ, อที่วัดธรรมจานทร์ที่ลูกพักอยู่นะ ค, คะก็มันเป็นสังขาร คลิปตกแต่งแต่ว่ามันปงออกมาเป็นเรื่องถึงเวลาใครถามปัญหาเรามักจะบอกว่าอย่าถามแค่มันก็จบมันถามอยู่ที่ไปถามถ้าไม่ถามมันก็ไม่ต้องหาคาตอบเสียเวลาปัญหาบางคำถามบางอย่างไม่จาเป็นจะต้องไปหาคาตอบ มันคิดเลือ่อยเสลื่อยไปเป็นคําถามที่ท่านบอกว่าเป็นอาจินไตยอย่าไปถามมันให้สุดเลย่ะถามดีกว่ามันทุกข์เพราะอะไรตอนนี้ทุกข์เพราะอะไรมันต้องทุกข์อากสมุทัยนะี่ค้นหาดูามันตอนนี้มันอยากกับอะไรอยู่ท่านั้นถ้าเจอมันก็ดับได้แต่เรื่องอื่นว่า โลกนี้ใครสร้างใครเกิดมาก่อนใครใกาย ก, อก่อนก่อนใครแล้วครอยากจถามให้เสียเวลาไม่เกิดปรยูร่เลยคำถามนี้มันเกิดขึ้นจากก็แล้วอยู่ที่เฉยแล้วมันมือคันใจัน <c oughs> <c oughs>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 อมอเป็นแก่นนน เ, รเราเรียกแล้วไม่สนใจ่ะอะไรจะเกิดก่อนใครไ ม, ไม่สนใจใครจะมาก่อนก็ได้ไครจะมาก่อนก็ได้มันไม่เกี่ยวกับเราพระพุทธเจ้าท่านาก็ทรงสอนเคยตัดไม่นะว่าท่านเคยหยิบใบไม้ขึ้นมาหยิกํามือเนี่ยมาทรงถามพระพิสูจนว่าใบไม้ที่อยู่ในกํามือของตัฐากกับใบไม้ที่อยู่ในป่ามือ ส่วนไหนจะมากกว่ากันเพราะพิสูก็บอกว่าส่วนที่อยู่ในป่าต้องมีมากกว่าเพระพี่ต้องมาสอนบว่าถูกแล้วความคาสอนของเราที่สอนพวกเธอก็เหมือนกับใบไม้ที่อยู่ในกำเนดแต่ความนี้ที่เรารู้อยู่นี้มันมีเท่ากับใบไม้ที่อยู่ในปา่าแต่เราไม่นำมัมาสอนพวกเธอเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรับพวกเธอ เรอนเท่าที่จําเป็นเพื่อที่ย้ายพวกเธอได้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วจะเห็นความจะมีความรู้เท่ากับที่เรานี้ได้ด้วยตนของตอนเองเพราะปัญญานี้เมื่อมันเริ่มคิดเริ่มพิจารณาแล้วมันก็จะเป็นหมือนไฟที่ติดเชื้อมีเชื้ออยู่งไหนมันก็จะมันก็จะมันก็จะไม่ตามไปยึดตามไปยังขอให้พิจารณาตรงท่าอริยสัจสีนี้เอง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 เวลาคนจะมาช่วยเอาลูปทารออกก็ไม่ยอมให้เอาออกต้องต้องบอกก่อนว่าใครเป็นคนดีแล้วก็คนนั้นมีฐานะอะไรมีชื่อเสียงมีมีชื่อมีานามสกุลว่าอย่างไรถ้าโมแต่เสียเวลาไปไปหาข้อมูลเหล่านี้มาแล้วค่อยมาเอาลูกสอนนี้ออกจากอกก็อาจจะตายไปก่อน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 มีคนตายในพัรตามปีใหม่ก็มาถามว่าเพราะเขาทำกรรมมาร่วมกันมกไม่ใช่หรือไม่สนใจหรือม่เปเรื่องของเราใช่ไหนทีนี้ถามที่ถามบนทั่วเมืเเองนะทหารไมเ่เป็นปัญหาที่มันไม่ตรงประเด็นกับปัญหาของเร า, เ, า, ราวเวลาเวลาที่มีคนถามคําถามที่อาจาย์จิตเราจะไม่คํำตอบไปล่วงหน้มมามันมันเป็นสำคัญ มันมันก็มันก็มีคําตอบอยู่ความความคำถามเรามันก็มีคําตอบในจเราแล้วเราก็จะรอฟังท่านอาจารย์รู้ไหมเราต้องรอฟังท่านอาจารย์ตอบไปแล้วถ้าตอบตรงกับที่เราคิดไ้ก่อนเราก็จะรู้สึกดีใจนี่ก็เป็นอัตราที่เหนื่อยเหรอมันเป็นการย้ําความเข้าใจของเราว่าส่วนที่เราพิจารณาก็ตรงกันแต่ถ้าถ้าตอบคนละแนวเราก็จะเองเราเองมันก็มีประเด็นให้เราต้องต้องพิจารณาตามนั่นคือ เพราะเพราะว่าในใจเรานี้มันมีทั้งสัามาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามความจริงกับความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามความจริงถ้าเราพิจารณาด้วยมิจฉาทิฏฐินี้แล้อเมื่อเราไปคุยกับอีกคนหนึ่งที่ก็มีสัามาทิฏฐิมันก็จะไม่ตรงกันแต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเจอกันก็อาจจะตรงกันได้ ค น, คนชอบกินเหล้าคนชอบกินเล้าคนชอบกินเหล้าเจอคนชอบกินล้าบอกกินเหล้าดีไหมเสาบอกดี <c oughs> ใช้สมม เ, <c oughs> เราต้องมีมาตรฐานสมาธิกิ็ต้องคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมาตรฐานของสมาธิกิถ้าเราสงสัยอะไรเราลองไปศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าดูว่ า, ท, าท่านท่านห้ามเราให้ทําอย่างนี้หรือเปล่าเช่น ท่านห้ามเราเดินโซลาร์แล้วคนเดิเหมาเดินโซลาร์ไม่ไม่ผิดไม่เสียหายเนี่ยเราก็ต้องยึดคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานแล้วะว่าคนที่ไปคิดขัดกับพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะงั้นเช่นพวกที่จะส่งเสริมให้เปิดบ่อนคาสิโนอย่างนี้เป็นต้นว่าจะนําความเจริญมาสู่ประเทศชาติตรงนี้ขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าจเจริญอะเจริญทางด้านวัตถุ เราจะนำมาความเสื่อมเสียทางด้านจิตใจซึ่งเป็นไทมากกว่าความความเสื่อมเสียทางด้านวัตถุเสียวัตถุมันไม่มันไม่ทําให้คนเดือดร้อนแต่เสื่อมทางด้านจิตใจนี้อยู่กันไม่เป็นสุขคนจะไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ข้าฟันกันจะเอาวัดเอาเปรียบกันจะโกงกันและเรื่องการพนันเล่าสูงเสียก็อยากจะได้คือก็ต้องไป รักเล็กขโมยน้อยต่ช่อโกงเพื่อจะเอาเองินมาเล่นต่อมันก็ทําให้จิตใจเสือ่อมทําให้สังคมเสื่อมลงไปแต่ก็ไม่เห็นส่วนนี้เขาเห็นเขาเห็นส่วนเงินที่ควรจะได้จากการสร้างบ่อนจะมีคนมาเที่ยวมาเล่นบ่อนมาเื่องการพนันจะคนจะได้มีงานทําทํางานในบ่อน เขาจะมองมาในรูปแบบของรายได้ทางด้านวัตถุแต่เขาจะไม่ดูถึงผลเสียทางด้านจิตใจและสังคมผลที่มีในกระทบต่บสังคมโดยรวมจะเป็นยังไงสังคมจะอยู่กันแบบคนไร้ศีลธรรมเขามองไม่เป็นเพราะเขามิจชาที่ชิ เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราต้องมีมาตรฐานเป็นเครื่องวัดเหมือนจากเราจะวัดอะไรเราต้องมีเครื่องวัดน้ำหนักก็มีกิโลไว้วัดความกว้างยาว ก, ก็มีไม่เมตรวัยวัดสยเนาธรรมะทิฏฐิก็มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องวัดถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นธรรมะทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็ดูที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหดูที่การบ๊วยติของพระพุทธเจ้าเป็น ที่การประพฤติของพระอริยะสงฆ์ชาวเป็นลักนั่นแหละเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องของสมาทิฏฐิท่านท่านแสวงหาราดยศสารเสนสุหรือท่านละราดยศสารสสนสุเขาดูตรงนั้นท่านโลภโกรธหลงเนื่อว่าท่านไม่โลภไม่โกรธไม่หลงยูดูตรงที่การประพฤติและการสาะคําสอนของท่านเป็นหลัไว้นั่นแหละออกมาจากสัมาทิฏิเท่านั้น ท่านถึงเจริญท่านถึงได้รับนักมัลลบนบัลมมสุขบารมังสุขขันธ์พวกเราก็ได้รับ ก, การเวียนว่าการเกิดได้รับความทุกข์จากการจากความแก่ความเจ็บความตายจากการกทับทาจากการรมมัเนเป็นผลของนิสจยทิฏฐิเท่านั้นถ้าเราแสวงหาราบยศสนเสริมสุขแล้วเราก็จะต้องทึกกับการเสรอม การสูญเสียนะในราบยศจันเสน ส, สุถ้าเราไม่แสวงหาแล้วเราก็จะไม่ทุกกับการสูญเสียของาราบยศจันทเสนสุขเาเราไม่ได้อาศัยเขาเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความสุขให้กับเราเราอาศัยความสงบเป็นหลราให้ความสุขกับเราใีฐานะมาตรฐานของสมาธิสุขนี้ เป้าหมายของสมาธิถิ่นนี้ก็ขึ้นมาที่จิตที่สงบจิตที่ระงับจากความอยากความโลภทั้งหลายจากความโกรธจากความเหนื่อยทั้งหลายด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เท่านั้นที่จะทําให้เกิดผลนี้ขึ้นมาได้เิ่งต้นั้ น, น, น, นันเวลาเราคุยกับใครเขาว่าดียังไงเราเขาอยากเพิ่มไปเชื่อเขาเราต้องถามพระพุทธเจ้าก่อนว่าท่านพูดอย่างนี้หรือเปล่าท่านสนับสนุนอย่างนี้หรือเปล่ปา ถ้าท่านไม่สนับสนนก็แสดงว่าไม่ดีอย่าเอาเสียงส่วนมากเป็นหลักเพราะพวกกิเลสนี่มันมากกว่าทุกธรรมะเหมือนเหมือนเขาวัวกับขนวัพวพุกธรรมะนี่มีแค่สองเขามีเขาวัวตัวหนึ่งมีเขาแค่สองขาเทนั้นแต่มีขนวัวนี่เต็มไปหมดเลยถ้าเราจะเอาประชาธิปไตยน์มาเป็นการ ตัดถิ่นลักษณะของคุณธรรมแล้วใช้ไม่ได้ต้องใช้อย่างที่ได้แสดงไว้ในใ น, ในการที่ถองนแม่ชีนะว่าลักษณะการตัดสินธรรมต้องเป็นไปเพื่อความานรับเพื่อความสงบของจิตใจถึงจะเห็นว่าเป็นธรรมครับเป็นเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความเหนื่อย เพื่อควา ม, มวิ่นวาเพื่อความพุงสร้างเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้ า, จาไม่ใช่สัมมาทิฏๆต้องศึกษาน้องมากเราอาจจะศึกษาไม่พอหรือศึกษาแล้วแต่มันเข้าหูซ้ายอยาหู ก, กวามันไม่เข้าไปในใจ <c oughs> <c oughs> มันไม่เข้าใจ <c oughs> ถ้ามันอยู่ในใจแล้วปัญหาจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะมันรู้รู้หมดแล้วท่านสอนท่านเจ้าไม่ไี้ไม่ไม่ีรับไม่มีปกปิดคือความจริงที่เราต้องรู้นี่ท่านสอนหมดท่านแสดงเน่ยท่านเปิดผยหมดสุที่ว่าเราเราศึกษาแล้วมันติดเข้าไปในใจเราหรือไม่เราเกิดทางเข้าใจหรือม่หรศึกษาแล้วมันก็ผ่านไป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 พยายามปฏิบัติให้มากๆแล้วกันนะพยายามตื่นชี่เวกหาเวลาไปปฏิบัติตื่นี่เวก ท, ที่บ้านก็ได้เข้าห้องอลไรขังตัวเราเองไว้ในห้องไม่ต้องออกมายุ่งเกี่ยวกับใครใครนอกถ้าไม่มีภารกิจภาระละไนี่ก็เห็นป้ายไว้ที่ห้องว่าห้ามนั ก, กวน <c oughs> ตามโรงแรงก็ยังมีป้ายแขวนไว้เลยว่าห้ามนักวนเราก็ตื่นไว้ในบ้านเราในห้องเราห้ามนักกวน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 เราชอบไปหาท่านด้วยไปหาทีไรท่านก็บอกให้กลับไปภาวนาะ <c oughs> เราก็กลับไปหาท่านเล่น <c oughs> ลองขังตัวเองดูในห้องก็ ไ, ได้5ชั่วโมง6ชั่วโมงดูนานกว่านั้นได้ยิงดีขังแบบว่าไม่มีอะไรมาคอย บมอมยมมู่่มเลยไม่ดูไม่ฟังอะไรเนี้ยมีแต่สติสมาธิระปัญญาเป็นเครื่องมือต่อสู้กับกิเลสคือความอยากต่างๆที่มีในใจโอ้ยถ้ามันสงบตัวร่างหน้าเนี่โอ้มันรู้สึกเบาอกเบาใจมันมีความสุขแบบไม่รู้จะพูดยังไงเมือ่อก่อนนี้เราแพ้มาตลอด มันสั่งให้เราไปนี่มา น, นี่ได้เสมอแต่วันนี้มันจะสั่งเราไม่ได้แล้วเป็นความสุขใจอย่างยิ่งใจที่ได้รับการกดเครื่องจากความกดดันของความอยากต่างๆด้วยกาลังของสติสมาธิและปัญญาวิริยะความภาคเกือนและขันติความกล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 มันก็จะทำให้เรารู้สึกทุกข์ทมาจากเคยไม่ทราบเคยได้ยินประวัติของท่านทศเสิีอยู่รู้มั้ครับาท่านสมาที่ท่านปฏิบัติท่านไปปฏิบัติที่หนงการี่นกจะัแล้วท่านก็วันห่งท่านบอท่านไปนั่งในป่าแล้วให้ให้หมู่เพื่อนเอาเชือกมามัดตัวท่านไว้ให้ท้ให้ทิ้งท่านอยู่ในป่าสมวันท่านจะต่อสู้กับไอ้ความอยาก พอ้าไม่ผูกมันไว้เดี๋ยวมันจะต้องลุกขึ้นมาแล้วท่านก็อยู่ได้นี่อุบายวิธีของการต่อชีวิติเลศแต่ะคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่มันก็ต้องเด็ดๆทั้งนั้นเนี่ยมันถึงจะมันถึงจะได้นะพระ พระอะไรพระพุทธเจาพระอริยสงฆ์นี่ก็เป็นชะละนะเป็นแบบเป็นฉบับเป็นตัวอย่างเป็นหน้าิมพ์เราอยากจะได้ผลอย่างที่ท่านได้เราก็จะเอาท่านมาเป็นแบบเป็นเป็นเป็นฉบับท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นที่ไม่ได้เปิดใหม่เนาะช่วนั้นเขาไม่ได้ขึข้ขยายอะไราไม่ต้องแล้วใครเนี่ย <laughs> แไไไม่ต้องแับทพอแล้วควรใจเวลาแล้วสองชั่มงขึ้งม่านี่แหละเป็นดีเลนะจงใจเวลาแล้วก็อยู <c oughs> <can> ่ในนี้เด้ยวก็ทำได้ที่ไหนกได้เนะพรจะให้แล้วทำแล้วเปวันเป็เดือประกาศมนส้ แล้วก็เหนื่อยแล้วก็ชาเไมือนกันไม่ยังมันตาว่าจะอยู่วนที่นี่แเราไปตาล้านั่ข้าหมอยู่ที่อยู่เราไปเรายังลดเมได้เพราะมันชาไม่ได้ดู ตอนนี้หลังเลี้ยงพระจารไม่มีอะไรใช่ก็ไม่เป็นปัญหามากนะก็ยังมีอยู่บ้างแต่มันก็พอ้ได้ดีกว่าดีกว่าเก่าเยอะต้องต้อง้่เท่าไไม่เราันยาแควเซียมยากระกุ้นอะไ่อ็ทำให้กล้ามเนื้อมันยืดอยู่มันไม่แข็งันไม่คอนแทกเพอเพื่อทำให้มันขคลย้ายตัวได้ พอมาอยู่ที่บ้า น, นะค่ะนี่นดูดที่น่มสติก็พิจารณาอ่ยเนี้ยสติแต่ความคิดมันวบเล็กๆมาก่อนมันวัดผิก็อยู่กับพุทธโทธอะไรเงี้ยอยากให้รววแต่มันก็ยังฝึกฝึกอยู่เรื่อยก็สลกันเวลาพอได้สติอยู่พุน ทากิดตท่องไปก่นทองว่าเกดแต่ันทดูอาบทได้ไหคา้มโอกได้ค่อย่งกันความินี่งรักษาว่าคะเอามาถ้าคิดเหยียดออคิดมันก็จะทรางคามทุกข์ขึ้นจะธรรมะมันก็จะทำให้จิตใจอเกิดท่องนี้จังทุกข์ของมรเกิดแต่เจตตายแค่นี้คาอยาง อยากเป็นอยาน่างมีความคิดอยากห่วงนั่นห่วงนี่มันก็จะไม่มีโอกาสได้คิดได้บางทีความคิดเนี่ยมันไหลมาโดยที่เรื่องจะไม่ปฏิด ต, ต่อกันใช่ใช่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ส ก, กัดมันไว้เราไม่แย่งความคิดมาใช้นี่มันก็จะไปคิดเร <ขอ S 2> <อ>ื่องอื่นแทนกันเมื่อก่อนไม่ได้ดูตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าวันนี้วันหนึ่งคิดกี่เรื่องแต่ตอนนี้มันถือตัวยาจะถูกเกลี้ยงมาไ ป, ปใช้่ไหมัล้วเรามีรถอยูอย่คันหนึ่งแต่คนสองคนแยกกันขับ อันอยากที่เดมันจะแย่งไปกับกันเพราะเราไม่เรไ ม, เรไม่เราไม่บุกมันเราไม่ไปแยกกับเขาเลยเราอะเขาอยากจะได้เขให้เข้าไปก็ก่อนเขาคิดไปเขาก็คิดไปทางทางปัญหาทางความทุกข์ตอนนี้เราไม่ได้แตอนนี้เราต้องบังคับให้มันคิดในเรื่องของธรรมะนะคิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายทำได้กับวิญญาณไปก่อนไม่ได้ถ้าเราไม่มีกําลังที่จะแยกแยะก็คิดไปเปกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลมไฟ อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วพอเราเริ่มมีกําลังแล้ว ก, ลก็คยเข้าว่าอ น, นิจจังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงเกิดแก่เจ็บตายเป็นยังไงใครบ้างที่เกิดที่แก่ที่เจ็บที่ตายเนี่ยคิดไปอย่างนี้ไปให้มันเป็นเรื่องประญาเสนอแตบืงต้นก็เหมือนกับท่องกอไก่กอไก่ไปก่ อ, น, อนให้มันอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายดิ่น้ำลมใจผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกท่อ ม, มันไปอย่างนี้แล้วต่อไปพอจิตเรา มันก็เริ่มมีกำลังพิเรลยนมันไม่ค่อยมีกำลังที่จะฉุดห้าไปคิดเรื่เลยเราก็จะได้วิเคราะห์มันได้ว่าผมมันอยู่ตรงไหนผมอยู่ตรงไหนเล็บมันอยู่ตรงไหนมีลักษณะอย่างไรฟันเป็นอย่างไรเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นอย่างไรก็วิเคราะห์ไปต่อไปมันก็จะติดนิสัยมันก็จะพิจดณาวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวใครก็จะแทนที่จะดูว่าเป็นใครชื่ออะไรก็ดูแต่ผมมันเป็นยังไงหนังก็เป็นยังไงเนื้อก็เป็นยังไงกระดูกก็เป็นยังไง ดู ด, ดูดูทางธรรมะมันจะดูอย่างนั้นถ้าดูทางกิเลสก็จะดูว่าเป็นคุณหญิงเป็นคุณนายเป็นอดูใครพ่อใครแม่ใครนามสกุลอะไรจ ะ, จะมององนีเรียนที่ไหนจบที่ไหนวิชการศึกษาสูงหรือเปล่านี่เป็นเรื่องของกิเลสพาไปใ่ไหมความเป็นเรื่องของสมมุติแต่ถ้าเรื่องของธรรมะมันจะดูแต่เนี้ย อาการสามสิบสองดูดแต่ผนฝนและฟันดูแต่เกิดแก่เจ็บ ต, ตา ย, ตายเขาจะรวยขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องแก่เขาก็ต้องเจ็บเขาก็ต้องตายไม่ได้วิเศษอะไรกันเลยคดอย่างนี้เงินทางก็มีมากขนาดไหนก็แก้การแก่กางเจ็บกางกายไม่ได้มันจะคิดไปทํางธรรมะเราไม่สร้างขึ้นมามันแย่งมันย่งไปต ล, ลาดเลยละ เราไม่บุกมันไงเราไม่เราไม่แย่ง เ, ยงเขาขึ้นมาขึ้นในทางธรรมกัน เ, เ, เราชอบปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องของมันเลยคิด ส, สับปะคิดอะไร <c oughs> ยุบไม่ถึงว่าเอ๊ะอะไรมันผุดขึ้นมาคิดมัที <c oughs> ไม่รู้คิดอะไรด้วยไห ล, ลไปเรื่อยเรื่อยเราต้องเอามาคิดตามตามทางของธรรมานะต้องบังคับต้องเด็กมาใหม่มันถึงจะไปต้องล่ามันเลแต่พอรู้สึกว่าเราคิดเผอปุ๊บมันอิจฉุด เดี๋ยวคนหนึ่งก็จะว่าเราอก็ให้ไปแล้วเราคิไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้เจนาสมตัว มันที่ตอการมันจะจัดความมันจมาทักรบจานยุ่งไหมคะมันมาค่ะมาคาบวชรค่ะตรงกับวันมาคาร์าีไม่สะดวก เพราะว่ามันตั้งแต่ช้ามานี่ออนออ พ, พ, อ, พ, พอเสร็จก็ต้องรีบไปโรงปฏิบูรก่อนปฏิบูรณ์ก่อนจะเสร็จก็บ่ายโวงตอนนั้นก็ไม่มีเวลาพักเลยแล้วทำต่อมาที่นี่สามชั่วโมงแล้วสี่โงเดี๋ยวตอนหัวค่าต้องไปเย็นคนใช้การเนื่อากของเล่นดีกาะขายจะมาได้จะวันเทศการนี้ขอของ วันมาฆะวันนิฆนฆวัน้งน้ข้างหน้ายัมีภารกิจที่มันตายตด้เอาเงินไป่อนเอินไปได้กเนไปต้องต้องลงไปเปลียนเีลด้วยใ่ไหอ่าเพลงเดิมต้องลงไปทำวัดเด็นการหโมเนเกต้องเทศเทศก่อนเย็นถึงทานเทศของสมเด็จสังฆราชแล้วก็ทาพิธีการควาทช้าการ ทำชาแล้วก็เรียนพพนั้นท่าจะไม่มีเวลาพาตแต่นมาตีสาตีสแล้วก็ตลอดล อ, อจจะได้ครั้งตอนหลังจากเรียนปฏิโมกขเสร็จปฏิโมกประมาณบ่ายโมงเพรานั้นก็จะมีเวลาว่างหอถ้าไม่มีใครมารบควนะ <L an> ถ้า ม, มีใครมาหาอนะไรบอ่าก็มีคนมาหาอ อม่มีเวลาพถึงเย็นก็ต้องรีบอาบน้ถึง น, น้ำแล้วก็ต้องรีบไปลงโหมดต่อแล้วถ้าต้องมานั่งคุยตั้บ่ายโมงครึ่ ง, งถึงสี่โไม่มีเวลาทำแล้วไม่มีเวลาไม่มีเงินได้ล้นหาขอพรคุณเพว่าคนต่